ก็เดี๋ยวต่อไปก็ขอโมทนาครับพวกเราท่านทั้งหลายนะที่ตั้งใจในการที่มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณในวันนี้ก็ก็มาศึกษาเกี่ยวในเรื่องของพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าทีนี้การศึกษาใน พุทธคุณก็คือคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็จากการที่ได้ศึกษามาตามลาดับเนี่ยก็เห็นคุณของพระพุทธเจ้าอย่างไรเป็นต้นทีนี้ว่าประเด็นในการศึกษาคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไปเชื่อมโยงในคําสอนของพระพุทธเจ้าหลายๆที่หลายๆแห่งว่าพระพุทธเจ้านั้นน่ยตัสรู้อนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณก็แปลว่าพราะองค์นั้นละกิเลสนะคือราคาโทสะและก็โมหะเป็นต้นเหล่านี้ได้ เ, ออเคยบรรยายในคำภีรทีคณิกายศีรขันธวัชคือได้เห็นขอบไข่หรือได้เห็นไข่สัพพัญุตยานของพระบรมศาสดาที่สามารถที่จะคุมคุมอะไรคุมทิฏฐิ62และภายในบรรดาทิฏฐิทั้งหลายเป็นต้นนดะ้ถ้าเราไปดูในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านกล่าวไว้ในทีคณิกายศีรขันธวรัชเนี่ยจะเห็นไข่ก็คือทิฏฐิเนี่ยนี โดยเฉพาะเกี่ยวในเรื่องของมิจฉาทิถีทั้งหลายที่มันฝังแน่นในกระแสของขันธ์ธาตุญาะของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะออกจากไข่กล่าวคือบรรดามิจฉาทิฐิต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นได้เหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะอะไรก็เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นยังเป็นผู้ที่จมแน่นอยู่ในไายหรือขอบไข่ของมิจฉาทิฐินั้นทีนี้มันในบรรดาขอบไข่ต่างๆเหล่านั้นที่ท่านเรียกบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสในสูตรนี้ พูดถึงในเรื่องของทิฏฐีหิบสองเขาไว้ใช่ไหมในบรรดาทิฏฐีหกสิบสนั้นน่ยท่านบอกว่าประดุดดังข่ายเขาเรียกชาละนะเนี่ยแปลว่าข่ายก็คือเป็นที่ปกคุมเป็นผู้ยึดถือไว้ไม่ให้พ้นไปจากสังสารวัตรนั้นในบรรดามิจฉาทิฏฐีทั้งหลายเนี่ยเป็นประดุดดังข่ายที่คอยดักสัตว์เขาไว้ทําให้สัตว์นั้นออกจากสังสารวัตไม่ได้ไอ้ตัวข่ายตัวนี้นี่แหละที่มันคุมอยู่ในกระแสของขันธ์อายตนะของสัตว์ทั้งหลายอยู่โดยเฉพาะในบรรดาทิฏฐีทั้งหลายนะ เริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เบื้องต้นเลยเบื้องต้นก็คือสักยทิฏฐิหรือที่เราเรียกกันว่าอัตตาทิฏฐิความเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเป็นเราเป็นเขาเนี่ยในบรรดาทิฏฐิที่มีวัตถุยี่สิบเหล่าเนี้ยมันเป็นโทษมันเป็นขายทีนี้ในบรรดาขายต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่เพียงแค่ทิฏฐิที่เป็นสักยทิฏฐิที่สัตว์ทั้งหลายเห็น เป็นตัวเป็นตนเนี่ยเช่นเห็นรูปเป็นเราเราเป็นรูปรูปอยู่ในเราเราอยู่ในรูปเนี่ยเห็นเวทนาเป็นเราเราอยู่ในเวทนาแล้วก็เวทนาอยู่ในเราแล้วก็เราก็อยู่ในเวทนาเป็นต้นเนั่ยนะทีนี้กรณีที่ไปเห็นโดยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยนะแล้วมันยังไม่เอื้อมไปถึงว่าเมื่อมีเราแล้วก็มีของที่เนื่องด้วยเรานะ แล้วก็เห็นด้วยความเป็นเราด้วยว่าสิ่งของของสิ่งนี้ก็คือเป็นของของเราเป็นต้นด้วยในบรรดามิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยเวลาเขาเกิดแล้วเขาก็ดึงพวกมาด้วยพวกของเขาก็คือมานะพวกของเขาก็คือตันหา่าโดยศัพท์ทางคําสอนเนี่ยเราก็จะเรียกกันค่อนข้างบ่อยก็บอกว่าตันหามานะทิฏฐิในบรรดาตันหามานะทิฏฐิเนี่ยถ้าไปดูในคำภีร์ในชั้นของทีขนิกายเนี่ยนะมหาวะ โดยเฉพาะในส ก, กปัญหาสูตรท่านจะเรียกบ ว, ว่าปปัญจญรรมหรือสัญญาที่ประกอบไปด้วยปปัญจญรรมที่จริงสัญญาที่ประกอบไปด้วยป ป, ปัญจรรมในที่นั้นก็หมายความว่าตัวตัณหามานาันนะทิถีนั่นแหละโดยหลักจริงๆก็คือตัวนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นตัวขยายวัตะหรือเป็นตัวทําให้เนื่นช้าทําให้ออกจาก ว่าตะ อ, ออกจากสังสารวัฏไม่ได้เขาจึงบอกว่าทิฏฐิ62หรือในบรรณาทิฏฐิกำลังกล่าวกันอยู่เนี่ยท่านจึงบอกว่าเป็นประดุดตาขายที่เรียกว่าชาละนะ่ยตาขายที่ยึดชาละที่ปกคลุมยึดถือไว้ไม่ให้สัตว์ออกจากสังสารวัฏก็แปลว่าให้สัตว์นั้นจมอยู่ในขันาธาตุอายตนะและก็ไม่มีโอกาสในการที่จะเงยศรีรษะหรือจะเงย ความคิดของตนเองในการที่จะออกจากสังสารวัตรเป็นต้นนะฉะนั้นคําว่าสังสาระนี่เป็นชื่อของขันธ์ธาตุอายตนะที่เกิดขึ้นสืบต่อกันโดยไม่ขาดสายเขาเรียกว่าสังสาระตัวสังสาระก็คือตัวขันตัวธาตุตัวอายตนะใช่ไหมที่มันเกิดติดต่อกันอยู่นี่แหละแล้วมันไม่ยอมหลุดมันไม่ยอมหยุดเดินมันก็เดินขํานไปเรื่อยๆแม้ในปัจจุบันนะพบแม้ในอดีตแตพบแล้วก็จะเป็นไปในอนาคตจะพถ้าถามบอกว่า ตัวขันธ์ธาตุอายตนะของเราท่านทั้งหลายในเดินทางมายาวหรือยังก็ต้องบอกว่าไม่สามารถที่หยั่งรู้ได้เลยขนาดพุทธญาณยังหยั่งแล้วก็ยังบอกว่าหาเบื้องต้นและเบื้องปลายนั่นเน่ยอันที่สุดนั้นบุคคลรู้ได้ยากถามว่าถ้าจะไปหยั่งดูกระแสขันธ์ธาตุอายตนะของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็นั่งดูจนจนตายเป่าแล้วก็ไม่ได้ทํากิจอะไรกันเลยแต่ให้พึงรู้แต่ว่า สังสารวัฏเนี่ยตัวขันธ์าดาญตนะเนี่ยมันเดินทางมายาวนานแล้วแล้วมันก็ไม่มีวี่แววในการที่มันจะเดินออกจากวตาได้เลยเพราะความคิดในกรณีที่สัตว์ทั้งหลายนั้นไม่เพาะสัตทินสีวิญยินสีสตินสีแล้วก็สมาธินรีปัญยินรีเนี่ยนะย่างลงในกระแสะของขันธ์าดาญตนะ เมื่อไม่ได้อย่างลงสู่ในกระแสขันธาตุอยายตนะโดยเฉพาะสัตว์นั้นไม่มีศรัทธาในตถาคตาโพธิศรัทธาด้วยแล้วเนี่ยมันก็ตั้งไว้ผิดพอตั้งไว้ผิดก็ไปตั้งไว้ในบุคคลที่ไม่ควรจะไปตั้งศรัทธาไปตั้งไว้ในวัตถุที่ไม่ควรเลื่อมใสเมื่อไปตั้งไว้ในวัตถุที่ไม่ควรเลื่อมใสแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็พาให้เรานั้นหลงผิดได้กล่าวไว้แล้วว่าตัวศรัทธานั้นมีสองประการ ใช่ไหมศรัทธาแท้กับศรัทธาเทียมศรัทธาเทียมนั้นองค์ทําได้แก่มิจฉาท่ทิโมกศรัทธาแท้นั้นแก่ศรัทธาเจตสิกที่เป็นธรรมชาติที่มีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นแล้วก็เชื่อในกรรมและผลของกรรมที่เราศึกษากันเนี่ยในหลักของสัตตินรียแล้วเนี่ยเขจะมีปัญญินทรียคอยกํากับคอยคัดสรรคอยตรวจสอบอยู่ว่าสัตตินรียหรือศรัทธาที่ไปตั้งไว้นี่เป็นวัตถุที่คนเลื่อมใสควรเชื่อถือไหม แต่ถ้าหาก็เป็นมิจฉาทิโมกเป็นการตัดสินผิดเป็นความเชื่อที่เกิดร่วมกันกับตัณหาอันนั้นมันจะไปตั้งไว้ในวัตถุที่ผิดแล้วในที่สุดจริงๆมันก็พากระแสขันทาศรยยตนะเนี่ยละหกละเหินไปในสังสารวัฏอันยาวไกลไอ้ตัวนั้นนั่นแหละมิจฉาทิโมกที่มันเกิดร่วมกันกับตัณหาที่มันเกิดร่วมกันกับมิจฉาทิถีนั่นแหละมันเลยกลับกลายเป็นตะข่ายเป็นตะข่ายในการที่จะคุมผู้ยึดถือไม่ให้พ้นไปจากวัตตะ คือไม่พ้นไปจากกามปภูมิรูปภูมิแล้วก็อรูปภูมิไม่ได้อย่าว่าแต่ให้พ้นเลยแม้จิตที่คิดจะพ้นก็ไม่ถูกและเพราะเป็นการหลุดพ้นที่ผิดพลาดมากถ้าเราดูในด้านของคําสอนที่พระพุทธเจ้าพูดในเรื่องของอริยมรรคเอาไว้เนี่ยจะเห็นชัดพระพุทธเจ้าจะตรัตมรรคใช่ไ้ยเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะสัมมาวียมาสัมมาสติสัมมาสมาธิ แล้วก็สัมมาญาณะแล้วก็สัมมาวิมุตติและในกลุ่มของมิจฉามรรคท่านก็ประกอบไว้สิเหมือนกันเริ่มตั้งแต่มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปรามิจฉาวาจามิจฉากัมมันตามิจฉาอาชีวามิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิแล้วก็มีมิจฉาญาณะแล้วก็มีมิจฉาวิมุตติมิจฉาญานะเนี่ยนะเป็นความมิจฉาญาณะไม่ได้แก่โมหะ ไอตัวมิจฉาวิมุตต์เนี่ยคือการหลุดพ้นที่ผิดพลาดแล้วเป็นกลุ่มของอกุศลมันผิดสัตว์ทั้งหลายก็จะมีประกอบที่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยแล้วก็ธรรมที่เกิดร่วมกันกับมิจฉาทิฏฐิที่เป็นบริขารของมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ธรรมที่เป็นเหตุของมิจฉาทิฏฐิอีกมากเกี่ยวเกี่ยวในเรื่องของอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลายอ่ะอันนั้นคือเหตุปัจจัยของมิจฉาทิฏฐิอ่ะมันก็ฝังแน่นในกระแสขันธาตุอายตนะของสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ก็ถูกปกคุมเป็นทู้ยึดถือไม่พ้นไปจากสังสารวัตรเพราะทิฏฐิเหล่านั้นเป็นการคาดคะเนสัจจะความจริงโดยไม่มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอเป็นเพียงการตีความจากประสบการณ์นั้นเบื้องต้นและในที่สุดจริงๆก็เป็นทิฏฐิที่ผิดพลาดบางกลุ่มทิฏฐิเหล่านั้นเป็นทัศนะที่ต่ำหมายความว่าไม่นำไปสู่ปัญญาชั้นสูงที่เป็นสภาวธรรมที่รู้ตามความเป็นจริงได้ เพราะทิฏฐิเนี่ยจะไม่สามารถเชื่อมโยงกับปัญญาได้เลยมันโคล่าทางเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉามัสส่วนตัวปัญญานั้นเป็นสัมมามัสฉะนั้นตัวมิจฉาทิฏฐิถ้าฝังแน่นในกระแสะขันธาตุอยายตนะของท่านผู้ใดเนี่ยตัวมิจฉาทิฏฐิไม่สามารถจะเชื่อมโยงในการที่จะเป็นปัจจัยแก่สัมมามัสได้เลยเพราะเป็นทัศนะที่ต่ำเขาเรียกเป็นความเห็นที่ต่ำไม่นําไปสู่ปัญญาชั้นสูงโดยเฉพาะปัญญาที่จะเป็นไปเกาะต่อออกจากสังสารวัฏ คือไม่สามารถที่จะเป็นอุปนิสยปัจจัยเป็นต้นเหล่านี้นะหรือว่าเป็นปัใจจัยในการที่จะเชื่อมโยงให้ปัญญาในสัมมาทิฏฐิโดยเฉพาะมัคสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยให้เกิดขึ้นได้เลยเขาเรียกมันคนละทางกันแล้วแต่สัตว์โลกก็ไม่เข้าใจว่าตอนเนี้มันเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นในกระแสของฐั น, าานธนาตุเจตนะเพราะไม่ชัดเจนในการฟังว่าทำคำสอนของพระบรมศาสดา แล้วไม่ตรวจสอบให้ชัดว่ากราณีที่เราท่านทั้งหลายกำลังยืนเดินนั่งนอนผู้เหยียดก้มเงยเนี่ยในการประกอบอาชีพการงานกันต่างนานาเนี่ยนะว่ากระแสขันธาตุายตนาของท่านทั้งหลายนั้นเป็นไปกับสัมมาทิฏฐิหรือเป็นไปกับมิจฉาทิฏฐิเพราะมันไม่ทราบ ไม่ทราบตั้งแต่เบื้องต้นโดยซ้าไปว่าตอนนั้นสิตที่คิดเนี่ยมันเป็นบุญหรือเป็นบาปแม้กรรมนาฏตาสัมมาทิฏฐิก็ไม่ชัดเมื่อกรรมนาฏตาสัมมาทิฏฐิไม่ชัดอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นของการที่เราไม่ก็ไปเข้าใจเลยว่ามันเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิและอีกกลุ่มหนึ่งในกลุ่มที่ไม่เห็นโทษไม่เห็นโทษของกลุ่มของมิจฉาทิฏฐิว่าในบรรดามิจฉาทิฏฐินั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่น่าขยะยแยงทักบานใดเนี่ย เหตุที่ไม่ทราบเหล่านั้นก็เพราะว่าการที่ศึกษาก็ทรมากันไม่ค่อยดีเนี่ยแม้ในคําสอนคือถ้าจะพูดแบบย่อๆนเนี่ยนะโดยเฉพาะในสปานวัชสปานกวัชสิกขาบทที่8ดของอริทกกาสิกขาบทเนี่ยนในเรื่องของอริทกกาพิษุอริทกกาเนี่ยท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้เป็นพระตั้งแตกฉานในพระธรรมของพวกบรมศาสดาเนี่ยคื อ, อยมีอยู่สมัยหนึ่ง ข้าปรมาสสะดาก็ประทับอยู่ที่นเชตวันนารามของท่านานาณาถพินิจการเสถียรเกษทนครสาวัตถีในครั้งนั้นอริทกะเนี่ยผู้เกิดในตระกูลทานแรง้งหรือคนฆ่าแร้งเนี่ยมีทิฏฐิสามเห็นปานนี้เกิดขึ้นแก่ท่านแท้จริงในสูตรนี้ไปอยู่ในละกาทูเพสูตรแต่เดลมาจะไม่ไปยกตรงนั้นมาหรอกเพราะตรงนั้นก็เป็นเรื่องยาวแล้วเราก็อาจจะเคยได้อ่านได้ศึกษากันแต่จะยกตัวอย่างเพื่อจะได้เข้าสู่ประเด็นในการมีการประชุมสิขาบทกันเนี่ยนะ เพื่อจะได้เห็นว่ามิจฉาทิฏฐิเราเนี่ยพระบรมศาสดาทรงตําหนิไว้อย่างไรและเป็นโทษอย่างไรนี่บรรดาทิฏฐิของบุคคลผู้เรียนพระธรรมซึ่งเป็นอันตรายถ้าเราศึกษาพระธรรมจากคําสอนไม่ถูกในส่วนจริงเราก็จะระหกละเหินผิดพลาดอีกคืออริยะกะเนี่ยผู้เกิดในตระกูลผ่านแ้งเนี่ยนะมีทิฏฐิสามมีทิฏฐิทีิรามกเกิดขึ้นบอกว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระบรมศาสดาทรงแสดงแล้วท่านเข้าใจว่าท่านทราบท่านเข้าใจพระธรรมของพพุทธเจ้า เหมือหลายๆท่านที่ศึกษาพระธรรมกันทุกวันเนี่ยแล้วก็ตั้งอกตั้งใจกันว่ามั่นใจและ ว, ว่าเราเข้าใจและวเข้าใจเราเข้าใจพระธรรมของพระบรมศาสด า, าแล้วเรารู้แจ้งและในพระธรรมของพระเจ้าเนี่ยนะนี่เหมือนกันท่านก็มีความเข้าใจอย่างนะั้นคือทิฏฐิที่สามเกิดขึ้นกับท่านท่านไม่ได้เอาปัญญาไปรู้แต่อาทิฏฐิเข้าไปรู้อเอาจัวมิจฉาทิฏฐิเข้าไปทราบเข้าไปวิจัยเข้าไปคิดพระธรรมของพระบรมศาสดาซึ่งเป็นสิ่งที่ว่าพระธรรมของพระบรมศาสดานั้นน่ะ แต่สรู้ด้วยอริยมครรคคือโดยเฉพาะอรหธรรมมรรคและแทงตลอดด้วยเมื่ออหธรรมมรรคเบีเสร็จแล้วเป็นฐานทําให้แทงตลอดอริยศัตว์ก่า็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคผลจากอรหธรรมมรรคที่เกิดขึ้นกับท่านนั่นแหละในกระแสะขันธ์ธาตุอายตนาของท่านนั่นแหละในที่สุดจริงๆก็ทําให้ท่านได้สัพพัญญุตยานที่เขาเรียกว่าอาสาธานาญาณ6ประการเนี่ยก็มีอินทรียปรโรปริยติยานอาสยา น, นุตสยายานมหากรุณาสมาปัฏิยานอยู่ไหม แล้วก็ยัมก่าปาฏิหาริยญาณสัพพัญยุตยญาณอนาวรณญาณงั้นถ้ากล่าวสัพพัญยุตยญาณ น, นั้นอสสาต า, านัญาณอีก5ชื่อวกล่าวแล้วแปลว่าพระยานเหล่านี้ได้มาด้วยเหตุผลก็คือว่าอรหัตมรักอรหัตผลของท่านนั่นแหละเป็นประฐานเป็นบันไดเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเหตุใกล้ชิดทีนี้กว่าจะได้สัพพัญยุตยญาณตรงนี้มากว่าจะได้อรหัตมะักษอรหัตผลที่ตั้งอยู่ในกระแสขันของพระบรมศาสดาท่านผู้นั้นนั่นแหละ กวจะได้มานั้นต้องบ่มเพาะบา ร, รมีมายี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากับอันนั้นนับแบบพิสดารไม่ใช่นับแบบยอ่อถ้านับแบบยอ่อก็เริ่มตั้งแต่ได้รับพุทธพยากร อ, อันนั้นนับแบบยอ่อมากเพราะอนั้นคื อ, อสี่สงคขายยิ่งด้วยแสนมหากับทีเรามาพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าสัพพยุตยานของพระบรมศาสดาที่ได้มานี้เนะี่ย เป็นสัพพัญญุตญาณที่เป็นการเป็นผลที่ได้มาจากอรหาตมารรครหัตผลที่ทรงรู้แจ้งแทงตลอดสัจจะทั้งสเรียบร้อยแล้วบริบูรณ์ไปเสกแล้วแล้วตัดสรู้ได้ตนเองฉะนั้นคําว่าสัมมาสัมพุทธโธพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตัดสรู้ได้ตัวเองด้วยระราคาโทสาโมหะมานะทิฐิวิจิฉาหิาริกานตปะอุทธจในกมลสันดานของพระองค์นั้นขดัดสะบั้นหมดเลยแล้วไม่ใช่แค่นั้นยังตัดวาสนาใช่ไหม ที่เป็นมาอย่างยาวนานในสังสารวัฏให้ขาดหมดสิ้นจากกำมลสนันดาของพระบรมศาสดาด้วยสรุปก็คือทั้งกิเลสทั้งวาสนานั้นตัดได้ขาดถามว่ากิเลสและวาสนาจะตัดขาดไม่ได้ถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าทีนี้ด้วยการที่พระองค์เนีตัดขาดทั้งสองส่วนอย่างนี้ด้วยและในขณะเดียว ก, กันก็คือสามารถที่จะประกาศพระธรรม คำสอนให้กับบุคคลอื่นได้รู้แล้วได้เข้าใจแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็ได้แทงตลอดตามพระบรมศาสดาเป็นต้นด้วยตรงนี้นี่แพระพุทธเจ้าจึงบอกมีสพัญยุตยานสภัญยุตยานของพระบรมศาสดานี่สามารถแทงทะลุทะลงวงสภาวธรรมได้ทั้งหมดเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากมรรผลของท่านทีนี้อนาวรณญาณก็ไม่สามารถมีอะไรมากีดขวางฉะนั้นเวลาพระองค์จะกล่าวพระธรรมแต่ละอัตแตละพยัญชนะเนี่ยพระองค์ตรัส ด, ด้วยสพัญยุตยาน ไม่ได้ตรัสด้วยจิตธรรมดาต้องเป็นมหากริยาญาณสัมปยุตแล้วก็เป็นโสมนาฏอย่างนี้เป็นต้นเป็นอาสังคาลิกเป็นมหากริยาญาณสัมปยุตบางครั้งก็เป็นอุเวขาบางครั้งก็เป็นโสมนาฏเนี่ยนะโดยส่วนใหญ่เป็นโสมนาฏนี่แหละฉะนั้นในการตรัสพระธรรมแต่ละอย่างแสดงให้เห็นชัดว่าพระธรรมนั้นน่ยไม่ตรัสด้วยจิตธรรมดาแต่สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยเป็นบุคคลที่มีทัศนธต่ํามีทัศนะที่ผิดพลาดเป็นส่วนใหญ่ก็ทัศนธต่ําที่เป็นมิจฉาทิฏฐินี่แหละ ไปศึกษาพระธรรมของพระบรมศาสดาพอไปศึกษาพระธรรมของพระบรมศาสดาแล้วเนี่ยนะก็ไปจับพระธรรมของพระบรมศาสดาว่าเป็นเรื่องดีง่ายเป็นเรื่องที่สะดวกแก่ในใจของท่านเหล่านั้นทีนี้พอไปเข้าใจว่ามันง่ายมันสะดวกแล้วก็มันปรากฏในใจของท่านเหล่านั้นได้ไม่ยากเลยเพราะท่านเหล่านั้นสามารถจําได้ท่านสามารถแสดงได้แล้วก็สามารถเอาบอกกล่าวเป็นต้นเหล่านี้ได้สามารถอธิบายเชื่อมโยงต่างๆเหล่านี้ได้ ود. แต่ไม่รู้หรอกว่าในกระแสจิตของท่านเหล่านั้นเน่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิ ไปจับพระธรรมผิดพลาดให้สังเกตด้วยยิ่งเรียนพระธรรมแล้วเนี่ยความหนักในใจก็มากขึ้นไอ้ความหนักใจก็มากขึ้นความไม่โปร่งไม่โลง่งไม่เบาแหละการขัดเกากายกรรมวจีกรรมโนกรรมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมากเนี่ยนะหรือไม่ค่อยมีเนี่ยอันนั้นบ่งบอกว่าการจับพระธรรมของผู้รวมศาสัจดาผิดพลาดแล้วว่าไม่ได้สังเกตเพราะอย่างที่ได้บอกแล้วว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ย เป็นทิฏฐิที่มีทัศนะต่ำไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงไม่นําไปสู่ปัญญาชั้นสูงโดยเฉพาะระดับวิปัสนาปัญญาและก็โลกุตรปัญญาเป็นต้นนะทิฏฐิเหล่านั้นไม่นําไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์โดยเฉพาะว่าชาติทุกชาลาทุกมรณะทุกโสกาวปรีเดวทุกขโทมมรณะสายและอุปายาตทิฏฐิเหล่านั้นจึงไม่สามารถนําไม่สามารถนําไปสู่การพ้นทุกข์เก่าวคือชาติทุกข์เป็นต้นได้ไม่สามารถจะดับไฟ11กองเป็นต้นได้ แปลว่าทิฏฐิเหล่านี้เป็นทิฏฐิที่ผิดพลาดที่สุดก็คือว่าไม่สามารถจะเป็นปัจจัยในการบรรลุอริยผลพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงบอกว่าอานนท์เธอจงจําประธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงในพรหมชาลสูตรใช่ไหมจําได้ใช่ไหมที่ที่ทอญญาจารย์แสดงไปสแสดงตามพระพุทธเจ้าเนี่ยคืออัฏฐาชาระที่พระพุทธเจ้าบอกว่าพรหมชาลสูตรนั้นคืออัฏฐาชาระแล้วก็ธรรมชาระพรหมชาละแล้วก็ทิฏฐิชาระ ประการสุดท้ายก็คือที่บอกว่าพิชัยสงฆามอันยอดเยี่ยมในอัฏฐาชาลาัล่ะเขแปลว่าอะไรในพรมาซาชาลาสูตรก็แปลว่าขายแห่งประโยชน์อัฏฐน่ะแปลว่าประโยชน์ชาลัล่ะแปลว่าขายอัฏฐาชาลาัก็แปลว่าขายแห่งประโยชน์คือพระพุทธองค์ทรงตรัสพระธรรมครอบคลุมประโยชน์ทั้งประโยชน์ในโลกนี้และก็ประโยชน์ในโลกหน้าโดยเฉพาะถึงประโยชน์อย่างยิ่งด้วยซ้ำไปไม่ใช่ประโยชน์ในเฉพาะในสองภพนี้เท่านั้น ประโยชน์ตอนด้วยประโยชน์บุคคลอื่นด้วยประโยชน์ในภพนี้ด้วยประโยชน์ในภพหน้าเป็นต้นด้วยก็ไปขยายประโยชน์กันเองใช่ไหมแต่ราถึงประโยชน์อย่างยิ่งอีกอย่างหนึ่งพรหมชารสูตรนั้นชื่อว่าธรรมชาระก็แปลว่าขายชาระแปลว่าขายตรงนี้เรียกขายคือทำขายเองทำพระองค์ทรงตรัสพระธรรมมันเป็นแบบแผนเงินกว้างขวางเป็นอันมากคือเป็นแบบแผนที่กว้างขวางมากพระธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงประการต่อมาคือพรหมชาระหรือพรมชาระขายอันประืริฐพรมเราแปลว่าประสริฐ คือทรงแสดงสัพพัญญุตญาณันประเสริฐไอ้ตรงเนี้ยฉะนั้นคําว่าสัพพัญุตญาณันประเสริฐนี่แหละที่สามารถที่จะอยู่เหนือสัพเ อ, อ, อยู่เหนือทิฐิหกสิบสองอยู่เหนือทิฐิทั้งหมดของสัตว์โลกที่เป็นไปในหลายโกรจักรวาลไม่ว่าจะเป็นแสนแสนโกรจักรวาลหรือทุกพเนี่ยสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปในแสนโกรจักรวาลที่มีทิฐิฝังแน่นในกระแสขันธาตุอายตนะนั้นเน่ะ สัพพัญยุตยานของพระบรมศาสดาใ น, นคุมทิฏฐิเหล่านี้หมดเลยถามว่าในแสนโกจักรวาลนั้นสัตว์ทั้งหลายที่มีทิฏฐิปักแน่นในกระแสขันนั้นเน่ยแต่พรหมชารั์ของพระบรมศาสดากล่าวคือสัพพัญยุตยานั้นคุมข่ายของทิฏฐิชาละหมดเลยเพราะทิฏฐิชาละเนี่ยเป็นการแจกมิจฉาทิฏฐิหกในพรหมชาลสูตรและในทิฏฐิที่อื่นที่ไม่มาแจกอีกรวมเบ็ดเสร็จอีกมากมายนะที่ในบรรดาทิฏฐิต่างๆ ถ้าจะกล่าวทิฏฐิอย่างเดียวเฉพาะวันนี้ก็ไม่จบไม่สิ้นเนี่ยนะเอาทิฏฐิคาถามากล่าวโอ้โหก็เรื่องยาวเลยในปฏิสัมพิธามากเอาทิฏฐิในพรหมาชาลาสูตรมากล่าวอีกก็ยาวอีกใช่ไหมหรือเกี่ยวกันในเรื่องของเอาทิฏฐิในสูตรต่างๆโดยเฉพาะในคำภีเอกนนิบาศเนี่ยนะมากล่าวเรื่องทิฏฐิอีกหรือในเรื่องของพระวินัยก็ดีในมัชฌิมนิกายเป็นต้นก็ดีเอาทิฏฐิของพระอริทกการพิขูมากล่าวเนี่ยนะก็มามากล่าวกไ็ไม่จบไม่สิ้น แต่ให้พึงรู้เถอะว่าบรรดาถามว่าสัตว์มีจํานวนปุรุชนมีจํานวนเท่าไรทิถีมีจํานวนเท่านั้นพบมีจํานวนเท่าไหร่ทิฐิก็มีจํานวนเท่านั้นเลยอันนี้หมายถึงเว้นสุท้าววาดออกไปนะนอกนั้นนะ่ะนอกนั้นอนะ่ะทิฐิกินหมดทิฐิไม่สามารถที่เข้าไปอยู่ในในสุดท้าววาสพพรมได้เพราะพบนั้นนะ่ะเขาห้ามคนมีทิฐิเข้าไป เขาบอกเข้าไม่ได้หนึ่งทิศที่สองโทสารเนี่ยเขาไม่ให้เข้าภูมินั่นเขาจะมีด่านคอยคอยกักตรวจ บ, บัตรอยู่เข้าใจใช่ไหมเขาไม่เข้าไปหรอกอะไรคือด่านมักเลยใช่ไหมเขาจะมีถามว่าคุณจะมาพบเนี่ยคุณเป็นบ้านนาคาหรือเปล่าถ้าเป็นพระนาคาเดี๋ยวไปทํามักให้ได้ก่อนแล้วไปเข้ามาเขาจะบอกอย่างนี้ฉะนั้นต่อ ย, ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเขาพบนี้มันพบพบที่ต้อนรับผู้ยิ่งใหญ่จริงๆยิ่งใหญ่ทางธรรมเนี่ยนะว่าต้องบริสุทธิ์จริงๆถึงจะมาอยู่ในสุทาวาทตรงนั้นได้ตรงนี้ก็ แันตอนนี้ก็เต็มไม่ได้ฟ้าอายาฉันมีความสุขกันมากเป็นพบที่บริสุทธิ์มากถ้าใครได้ไปอยู่ในพบนั้นก็ชื่นใจใช่ไหมไม่มีไม่มีความวุ่นวายอ่ะพ้าอายะเต็มมือหมดเลยไม่มีพูดเรื่องตามมาคุณเลยในพบนั้นน่าชื่นใจไหมล่ะไม่ได้พูดเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้พูดเรื่องการเที่ยวเลยใ น, นนั้นนะเพราะเขาไม่ยินดีในการสบายเลยในพบนั้นเลามีในการนั้นแหลเจริญพุทธคุณแล้วคนศาสนาอื่นเขาก็ไม่ให้เข้าไป ใช่ไหมซึ่งซึ่งเราทําไม่ได้ยืนมดว่าเราจะทําให้ประเทศไทยเป็นพุทธศาสนาใช่ไหมมันจะได้แต่รูปแบบจะได้แค่รูปแบบแหละสมมุติว่าโอ้โหเอาเมืองไทยเป็นเมืองพุทธหมดแล้วให้เป็นพุทธร้อยเปอร์ซมันก็ได้แค่รูปแบบเพราะว่าคําว่าพุทธะเนี่ยมันเป็นชื่อของสภาวะที่ดับทุกข์ใช่ไหมมันทําไม่ได้หรอกในด้านจิตใจนะมันจะดับทุกกันได้ยังไงล่ะทุกเต็มจิตเนี่ยใช่ไหมราคาโทสาโมหาเนี่ยเต็มเต็มกระแสการท่าใยะชนะ ท่นทําไม่ได้ทําให้บริสุทธิ์ไม่ได้แต่ในสุดท่าว่าสภูมินี่เขาทําได้ท่านทําได้เพราะว่าภพนั้นเป็นภพเนะไม่ว่าสังขารลโลกสัตวโลกและโอกาสโลกพร้อมกันหมดเลยสังขารลโลกก็แปลว่ากระแสะขันธ์อ า, ายตนะของท่านเหล่านั้นต้องละราคาโทสาวโมหะได้ใช่ไหมอย่างโดยเฉพาะโทสาวเขาเกลี้ยงแล้วก็เหลือแต่โมหะอย่างเบาบางเหลือโลภะก็อย่างเบาบางเท่านั้นเองมานะก็ยังเหลือเป็นแบบเบาบางเท่านั้นเองอย่างเงี้นนะ แปลว่าเขาคัดสรรจากคุณธรรมภายในใจเขาก็เลยคัดกันได้ก็อยู่ในภพนั้นจึงเป็นพวกบริสุทธิ์เขาคัดกันได้อย่างนั้นฉะนั้นพอกระแสขันทา่าไดยตนาของท่านอย่างบริสุทธิ์ใช่ไหมท่านก็เลยเรียกเป็นสุดทาวาวสพรหมทีนี้พอบอกว่าเป็นสุดทวาวาสพรหมเนี่ยแปลว่าเป็นพรหมที่บริสุทธิ์โอกาสสโลกของท่านนะคือภาชนะโลกของท่านก็เลยเป็นสถานที่รองรับที่บริสุทธิ์ไปเลยนี่เป็นอย่างนี้ฉั้นถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นว่าโอ้ท่านเป็นอย่างนี้นี่เอง กระแสขันธ์าตุลเยตนะของท่านเนี่ยบริบูรณ์จริงๆตรงนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเป็นสิ่งที่น่าคิดก็คือว่าเราท่านทั้งหลายถ้าต้องการที่จะอยู่ในภพนั้นได้ก็แปลว่าก็จะต้องทําขันธาตุลเอยตนะของเราให้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยการที่บอกว่าใ น, นแหละเจริญอริยมรรคได้สามมรรคแล้วก็สามารถที่จะไปได้ก็สามารถที่จะไปได้ตรงเนี้นะ ตรงนี้ก็ก็กกชี้ให้เห็นว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวในเรื่องของคําว่าแต่บาลีวิเดียจะมาไม่ได้มาดูท่านบอกแตกกันว่าพิ่ชายสงฆามมันยอดเยี่ยมคือถ้าใครฟังพรหมชารสูตรแล้วเนี่ยจะย่ำยีเทวปุถมานได้ย่ํำยีขันธมานได้ย่ายีมัจจุมานได้แล้วก็ย่ายีกิเลสมานคือทิฏฐิเป็นต้นได้ก็ก็น่าชื่นใจ ในในสูตรนี้หลายหท่านก็ก็ฟังไปไม่รู้ไปย่ำยีมานได้กี่ตัวนี่เนะทรงประกาศสัพพัญญตญาณอันลึกซึ้งแล้วก็จนถึงที่ตั้งก็ถึงเหตุของทิฏฐิอันไข่ไขไม่พึงจะรู้ได้จากปัญญาของชนเหล่านั้นฉะนั้นชนเหล่าอื่นไม่สามารถที่จะถึงเหตุที่มาของทิฏฐิเหล่านั้นได้เพราะสัตว์เหล่านั้นเป็นผู้มืดมิดแต่สัพพัญญตญาณของพระบรมศาสดาในที่พระองค์ ได้มาเนี่ยสามารถกําจัดความมืดมนคือทิฏฐิเหล่านั้นดุจอุทิตเนี่ยดุจดุจพระทิตย์อุ ท, ทยัยกําจัดความมืดเหมือนพระทิฏฐิขึ้นแล้วกําจัดความมืดได้เช่นั้นตรงนี้ก็ก็ชี้เห็นเกี่ยวในเรื่องของบรรดามิจฉาทิฏฐิทีนี้เรื่องที่จะเล่าก็คือเกี่ยวกัเรื่องของอริทักกา พ, พิโก้เนี่ยบอกว่าเออในบรรดาทิฏฐิต่างๆที่อริทักกาเนี่ยผู้เกิดในตระกูลพานข่าแรงในพานแรงเนี่ยมีทิฏฐิสามบอกว่า เรารู้ทั่วถึงธรรมของพระบรมศาสดาสแสดงแล้วโดยประการที่ตรัสทำเหล่าใดไว้ว่าธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่ทําอันตรายนี่เนะี่ยธรรมเหล่านั้นไม่อาจทําอันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงคือท่านเข้าใจว่าถ้าพระบรมศสาสดาตรัสบอกว่าธรรมเหล่านี้สามารถจะทําอันตรายให้กับผู้ที่ส่องเสพผู้ที่ประพฤติปฏิบัติได้นะแต่ท่านบอกว่าไม่จริงเสมอไปแล้วทำบางอย่างพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นธรรมอันตรายแต่ เราพิจารณาด้วยความเห็นของเราแล้วเห็นว่าทำเหล่านั้นไม่เป็นอันตรายอย่างที่พระบรมศาสดาตรัสไว้อย่างนี้พอท่านเห็นอย่างนี้เบลเสร็จแล้วท่านก็ว่าว่าก็มีความเห็นแล้วก็ประกาศความเห็นของท่านพอท่านประกาศความเห็นอย่างนี้ออกมาก็เขากระถามท่านว่าอาวุโสอริตกะพระก็ไปถามท่าน ได้ข่าวว่าท่านมีทิฏฐิสามหินปานนี้เกิดขึ้นว่าข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมที่พระบรมศ า, ศาสดาทรงแสดงแล้วโดวยประการที่ตรัสถามเหล่าใดว่าธรรมเหล่านี้เป็นธรรมธรรมอันตรายธรรมเหล่านั้นหาอาจทําอันตรายแก่ผู้ทรงเสพได้จริงไหมธรรมคานี้ต้องฟังให้ดีบอกเออธรรมที่ทําพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมเหล่านี้ที่จะสามารถทําให้ให้ใ ห, ให้ประสบอันตรายต่า ง, างๆเหล่านี้นะบอกว่า ท่านมีความเห็นว่าไม่สามารถจะประสบอันตรายอย่างที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ท่านเขียนอย่างนี้ใช่ไหมอารัตอริทกะหรืออริทฐะภิกขุก็บอกว่าจริงอุโสข้าว่าท่านจริงๆว่างั้นเนี่ยเราเห็นอย่างนั้นแหละผมรู้ทั่วถึงธรรมแล้วของพระบรมศาสดาแล้วข้าพเจ้าฟังแล้วเข้าใจอะฟังคิดได้เข้าใจได้ไม่ยากว่างั้นแต่มันมีอยู่ข้อมันมีอยู่หลายๆเรื่องนะว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นธรรมอันตรายธรยรมเหล่านั้นเน่ะ ไม่อาจทําอันตรายแก่ผู้ทรงเสพได้จริงล็อกว่าไงภิกษุก็เตือนท่านบอกอาวุโสอริทะท่านท่านอย่าได้พูดอย่างนั้นท่านอย่าได้ว่าอย่างนั้นท่านอย่าได้เห็นอย่างนั้นท่านอย่าได้กล่าวตู่เพราผู้มีภาคเล ย, ยการกล่าวตู่เพาผู้มีพภาคเจ้าไม่ดีแนี่ยเพราะการกล่าวตู่พราะปรมศาสดาเนี่ยจะประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากใช่ไหมจะประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมาก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 ใช่ไหมก็ก็ก็สาธยายท่านฟังทีนี้แล้วท่านก็พระท่านก็บอกว่ากรามเนี่ยนะกรามทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีความยินดีน้อยก็มีทุกมากมีความครับแค้นมากโทษโทษของกรามทั้งหลายนะั้นมีมากยิ่งคืออย่างนี้ตรงนี้นเราจบประเด็นได้คือว่าอเล่าเรื่องในชั้นกออัจฉริยะขยายงาวงหน้าไว้ เวาฟังมันจะได้ไม่งงตรงนี้คืออริยะกษัเนี่ยท่านมีความเหมนบอกว่าเออเป็นพระเนี่ยจับต้องการหญิงไม่ผิดเไม่ไม่ผิดเพราะค า, า, วาราาาวาที่เป็นพระสวสดาบาลคารวะที่เป็นพระสกทาคารามีท่านก็มีลูกมีเมียก็ถูกต้องกายกันได้ก็ยังเป็นได้เลยนั้นพาะจะถูกต้องบ้างไม่เห็นเป็นไรเลยเ อ, อคิดดีนะออปุถุชนหนะ้าคิดแบบนี้ใช่ไหมเห็นไหมว่า จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคิดโดยสามัญชนโดย ท, ทั่วไปเนี่ยคิดอย่างงั้นแหละก็เหมือนหลายๆกลุ่มก็บอกว่าวิัยไ ม, ไม่ไม่สําคัญแล้วอยู่ที่ใจอะ่ะใช่ไหมอยู่ที่ใจถ้าใจเราไม่ไปคิดอะไรมากแล้วมันจะเป็นบาปได้ยังไงเช่นถ้าเราจะนั่งสามล้อก็สมล้อเครื่องกับย้อมผู้หญิงนนั่งสามล้อไปด้วยกันเนี่ยอมันมีจริงในะบางประเทศพราแล้วนี่แหละบางประเทศเไปนั่งสามล้อไปด้วยกันเลยนั่งติดกันเลยนั่งรถนี่นะ ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะจิตเรามันไม่เป็นบาปแล้วเมื่อจิตไม่เป็นบาปเนี่ยมันจะมันจะไปขวางการมรรคผลได้ยังไงอภิธรรมเนี่ยก็ดูที่ใจแ้วกนสลจิตเกิดขึ้นมันก็ไดไ้เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมนี่นี่คือหักชินจักรของพรธเจ้าแล้วคือเอาอุดมเพศกับหินเพศเนี่ยไปเอาข้อวัดมันคนละเรื่องเหมือนอย่างนี้ ข้อปฏิบัติข้อวัดของราชาพระราชากับสามัญชนเนี่ยเขาจะยังว่าํำพูดต่างกันนะคำว่ากินใช่ไหมคำว่าสเสวยเนี่ยใช่ไหมยะเือไปก็าเรียกว่ามันผิดฐานนะอันนี้มันไม่ใช่ผิดแค่ฐานะอย่างนี้ที่ยกมาเนะยมันผิดธรรมด้วยมันผิดธรรมด้วย แล้วก็ผิดวินัยด้วยโดยเฉพาะผิดวินัยอ่ะมันเป็นข้อห้ามว่าส ม, มณะสักยะบุตรพุทธชิโนโรตออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วทำจะไปถือข้อปฏิบัติอย่างคารวาเขาได้อย่างไรใช่ไเพราะไม่ใช่ฐานะที่พระควรจะไปทาอย่างนั้นพระทำอย่างนั้นมันไม่ถูกมันไม่ควรมันผิดและพระองค์ก็แสดงโทษของกรรมตั้งเยอะแยะ ในมาคันธียาสูตรก็แสดงไว้ในทุกจุฬะทุกขาขันธทสูตรมหาทุกขาขันธทสูตรเป็นต้นก็แสดงโทษของกลางไว้เป็นอเนกแม้แต่ในคำสอนต่างๆที่แสดงชี้โทษของกางไว้อีกเยอะแยะโดยํนำนองก็คือทำไมเธอไม่ฟังทำไมไม่ถอนเชื่อไหมว่าพระพูดอย่างนี้อริถกาพิคุกก็ไม่ถอนมิจฉาทิฐินั่นเองเอไม่ถอนก็ยืนยันว่าจเองเข้าใจ ตนเองเข้าใจตนเองได้ความสงบจากการปฏิบัติให้ตนเองรู้ทั่วถึงนี่ท่านไม่รู้อย่างเรารู้เรานี่รู้ธรรมของพระพุทธศาสนาไม่ว่าแต่ท่านเลยต่อยพระศาสดามาตัดอย่างนี้เราก็ไม่เชื่อพระศาสดาเพราะเราถึงเราเข้าใจอัธถลันี้ปรากฏแ ก, ก่เราเราเข้าใจชัดเราทดลองดูแล้วบาปไม่เกิดกับเรา <laughs> คือบาปไม่เกิดกก่ใจแก่ท่านเพราะท่านเป็นสำคัญมิจฉาทิฏฐิเป็นปัญญาเข้าใจยัง ท่านไปสำคัญไว้ตัวมิจฉาทิฏฐิกับตัวปัญญาเนี่ยท่านไปสําคัญผิดว่ามันใช่ปัญญาทั้งๆที่เป็นมิจฉาทิฏฐิถามว่าคนในยกปัจจุบันมีน้อยแค่เมืไรที่ไปเข้าใจมิจฉาทิฏฐิเป็นปัญญาเนี่ยแล้วก็ไปสําคัญไว้ตนเองถึงทำอะไรทั้งหลายเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องขุดเข้าไปให้มันเจอว่ามันเป็นยังไงบางครั้งเนี่ยเร า, านี่แหละเป็นผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิซะเองแล้วไปเข้าใจมันทวนเป็นปัญญา ก็ไม่ได้ฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าเลยเนะี่ยมันแวบบรรลุขึ้นมาได้ไงเนะี่ยถ้าไม่ใช่ยิฐทีไม่จ่ายยิฐทีแล้วมันจะอะไรล่ะใช่ไหมถ้าเป็นพระธรรมของพระบรมศาสาศดาท่านต้องตรวจสอบได้ต้องต้องไปดูในฉาววิโสธนสูตรดูทีพระพุทธเจ้าตรวจสอบการบรรลุยังไงหกประการเนะี่ยก็ลองไปพิจารณาดูตามลำดับดีว่ามันมันใช่ไหมนี่ไม่ยอมเอาสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสใช่ไหมตนเองอาจจะจับประเด็นไม่ได้ทุกๆุกข้สอนเนี่ย ก็ไม่ได้ตรวจสอบเพราะไม่ได้ตรวจสอบก็ผิดพลาดไอ้ตรงเนี้ยอย่าแปลกใจเลยว่าบางครั้งเราฟังธรรมของบุบบรมศาสดาแล้วมันก็ค้านิก๊กในใจอยู่เนี่ยบอกเออเป็นไปไม่ได้เพราะเราเอาตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยไปเทียบกัสบสพญุตยานซึ่งคนละเรื่องอย่างเรานั้นมันได้มิจฉาทิฏฐิมาโดยการไม่ได้บําเพ็ญบารมีอะไรเลยสักข้อ มันได้มาจากการทําบาปอัธยาศัยที่มันทํามาเนี่ยมันโดยฝังแน่นในดวงดามิจฉาทิถีเนี่ยแต่สัพพยุตญาณเนี่ยต้องได้มาด้วยเลี้ยวแรงของมหาบุรุษได้มาด้วยกําลังของพระบรารมีสิบอุปปารมีสิบปรบัติบา ร, บรามีสิบได้มาได้อาศัยการเวลาอันยาวไกลอันยาวนานในการกว่าจะได้สัพพยุตญาณมาทีนี้เอามิจฉาทิถีไปเทียบกับสัพพยุตญาณ ค, คนละประเด็นไหมคนละประเด็นคนละเรื่อง คนละกลุ่มกันเลยคนละพวกเลยทำดำก็ทำขาวเลยทำที่เลวกับทำที่ประนีตเลยเป็นอปมาถ้าทำกับเป็นพวกกลุ่มกันในเรื่องของฮีนธรรมเลยนะทำที่ประนีตกับทำที่ต่ำทำที่รามกมิจฉาทิฏฐิเป็นทำที่รามกเป็นทำที่ต่ำเป็นทำที่สามเป็นทำที่ไม่ควรเอาไปเทียบใช่ไหมเหมือนกับสุนัขโรคเลือนงกับราชสีอะตลวอย่างกันม คนละอย่างเอาไปเทียบไม่ได้ความคิดของสุนัขเนี่นะที่เป็นโรคไอสุนัขที่เป็นขี้เลื้ยด้วยนี่นะกับพระญาราชาสีเนี่ยไปคิดคิดกันได้ยังไงอย่าไปเปรียบอย่าเอามิจฉาทิฏฐิไปเปรียบถ้าจะเปรียบเพื่อจะให้เห็นสรรพยุทธยานเด่นขึ้นเพื่อจะให้เห็นมิจฉาทิฏฐิหนั้นน่าเกลียด น, น่ากลัวมากขึ้นว่าเรียวซา ม, มากขึ้นนี่มันปักแน่นในกระแสขันเนี่ยถ้าเรารู้ตัวอย่างนี้เราจะได้รู้ว่าเราไม่ได้มียาน เราไม่ได้มีสัพพัญญุตยานเราไม่ได้มีอนนาวนณญาณไม่มีอินทรียปโรปริยัะยะติยานไม่มีมหากรุณาสมาปฏิยานไม่มีอาศยานุสยายานแต่เรามีมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมเออถ้ารู้อย่างนี้พบเนี่ยอ๋อเป็นอย่างนี้เองฉะนั้นบางทีเนี่ยเราจะได้รู้ตัวว่าเราไม่ใช่ราชสีใช่อือความคิดของเราเนะี่ยไม่ใช่ราชาสี เออถ้าถ้าคิดอย่างนี้เบิกเสร็จอ๋ยเข้าใจอ๋อเป็นอย่างนี้เห็นไหมเวลาศึกษาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องต้องต้องต้องให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วเนี่ยการเรียนวัฒนธรรมมันก็เรียนแบบลืมเนื้อลืมตัวเห็นไหมการฟังธรรมก็ฟังแบบลืมเนื้อลืมตัวเวลาไปประพฤติปฏิบัติก็ปฏิบัติแบบลืมเนื้อลืมตัวก็ไปเดินมิจฉาทิฏฐิกันอยู่นั่นแหละเดินเดินกันอยู่นี่แหละใช่ไหม กลับมาก็เราเข้าใจแล้วมันก็มีไอ้คำว่าเราไปเข้าใจอยู่นั่นแหละเราทํากรรมเห็นไหมเรารับผลของกรรมเนี่ยมันจะมีคําว่าเราไปหมดเลยอะ่ะนั้นให้บ่งบอกว่ามิจฉาทิฏฐิเชนี่ยมันฝังแน่นในกระแสขันธ์ญาณิยตนะของสัตว์ทั้งหลายมายอย่างยาวไกลแล้วและในขณะที่เรามานั่งเรียนว่าทำมันก็มานั่งเรียนกับเรา เพื่อมานั่งเรียนกับเราอยู่นี่แหละเพราะบางครั้งปัญญาเกิดบางครั้งมิจฉาทิฏฐิก็มาเกิดแทรกเป็นระยะระยะระยะอยู่เนี้ยและในสังในในชีวิตที่ผ่านมาจนมาถึงกันหลายๆเนี่ยนะจนมาเข้าถึงวัยปลายไม่ใช่กลางคนกันแล้วเนี่ยปลายคนแล้วเนี้ยที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยก็เป็นวัยที่ใกล้ๆที่จะโบกมือลาลูกลาหลานกันแล้วเนี่ย บอกว่าไปก่อนที่ตามันจริงๆใช่ไหมจะบอกมือลาก็อยู่แล้วคือเดีว่าเราพยายามจะยื้อกันเนี่ยพยายามจะยื้อบอกอยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ให้ลูกหลานได้ชื่นหนุ่ชื่นใจหน่อยเนี่ยแต่จริงๆริงยือย้อไม่อยู่หรอกผู้ยือ้อเราอยู่ไม่อยู่เขาห้ามยือ้อหมายความว่าอย่าไปพูดเพื่อยื้อแต่รักษาให้ดูแลแล้วก็บอก คุณทางบอกวิธีคิดอย่าไปยืดว่าอยู่นานๆอยู่นานๆเนี่ยท่านก็ไปฝังความคิดผิด่ใช่ไหมอู้ใช่ไหมเพราะอะไรรู้ไหมถ้ามิจฉาทิถีเกิดขึ้นในขณะใกล้ตายอะ่ะถามว่าท่านจะไปไหนท่านก็ไปอภัยอีกเดี๋ยวจะเชี้ให้ดูว่าตัวมิจฉาทิถีมันอันตรายขนาดไหนอันตรายตั้งแต่สักกยะทิถีไปเลยว่าสักกยะทิถีเนี่ยมันกั้นสวรรค์ไหม เดี๋ยวจะชี้ดูว่ากั้นไม่กัน้นใช่มฮได้ฐานรวมๆเขาไม่กั้นหรอกแต่ถ้าเกิดจริงๆอ่ะกัน้นเดี๋ยวจะไปชี้ดูว่ายังเป็นยังไงเออเนี่ยถ้าเราไปเข้าใจว่าเราทาเราพูดเราคิดลูกเราหลานเราเนี่ยถ้าเข้าใจตอนนั้นนะ่ะนะตอนใกล้าตายนะ่จะไปไหนก็ไปอาบานเพราะไม่ปล่อยใช่ไมใจมันผูกยึด พอใจมันผูกยึดปุ๊บเนี่ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิได้ใช่โลภะไหมเอาเมื่อเป็นโลภะแล้วจะไปสุขติได้ไหมมันไม่มีฐานะหรอกจะไปเอาฐานะไหนไปสุขติภูมิเพราะโลภะชาวนาเกิดใกล้าตายแล้วโลภะชาวนาเกิดในมรณะสันวิถีแล้วจะไปอบายจะไปสุขติภูมิได้ยังไงที่เรานี่มาเนี่ยไม่ได้มาด้วยสักยะทิฏฐิมันมาด้วยกุศลแจิตล้วนๆไม่มีสักยญาทิฏฐิเลยนะเนี่ยนนบุนแท้ ที่มาเนี่ยไม่ได้มาด้วยความเห็นผิดมาด้วยความเห็นถูกแต่มันสลับทันพอดีไงไอจะลับไอไอสลับวิถีทันพอดีกลายเป็นกุศลตอนนั้นไอมิจฉาทิถิมันไม่เกิดมิจฉาทิถิมันหลุดจากจิตพอดีเลยมันเลยได้สุขติทาไมมาโชคดีแบบนั้นใช่ไหมยิ่งกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอีกนะเนี่ยไอกรณีที่จะได้กุศลก่อนตายสักขณะจิต ก็จะเป็นปเพื่อสักชฌอนะสองสามเฌอนะเนี่ยเพจะเป็นปัจจัยแก่ได้ปฏิสนธินี่ได้กรรมนปราปฏิสนธิในภพต่อไปเนี่ยตอนนั้นน่ะสักยะทิถีมันหลุดเก็บใจแล้วแต่ถ้าหากตายด้วยสักยะทิถิเห็นว่าตัวเป็นต น, นเนี่นะลงอบายทุกอย่างสัตว์ส่วนใหญ่ยิงลงอบายภูมิหมดสิทธิ์ขึ้นสุขติภูมิแม่มาจะถามตลอดใช่ไหมอาจารย์ถามตลอดว่าพี่รามากันได้ยังไง ไม่ใช่ธรรมดาที่มาเนี่ยแต่ว่าถูกคัดสรรด้วยกรรมอย่างดีเลยนะแต่มาแล้วไม่ลืมตัวกันแค่นั้นเองมาลืมตอนนี้ไม่รู้คิดได้อย่างไรเริ่มคิดได้ใช่ไหมการลืมตัวมันก็จะเริ่มน้อยๆลงนี่นี่มองเห็นใช่ไหมว่าเป็นอย่างนี้ว่าฉะนั้นถ้าเขาบอกว่า เ, ออเดี๋ยวไปเยอะแต่ก่อนเนี่ย พอศึกษาตรงนี้นี่เป็นไปไม่ได้โอ้โหถ้าสักกายทิถีเนี่ยถ้าสักกายทิถีเนี่ยกั้นสวรรค์เลยนี่ยุ่งแล้วก็เป็นกันทุกคนเลยใช่ไหมเราก็เห็นว่าบ้านเรารถเราเงินเราขึ้นชื่อว่าทิถินิดเดียวกับกั้นสวรรค์นิดเดียวกับกั้นเ้าทำไงให้มันเกิดมากเลยมันเสี่ยงไหมอัตราเสี่ยงสูงไหมเนี่ยเสี่ยงสูงมาก งัโทษตอนทิฏฐิไม่ได้นี่ถึงบอกว่าเวลาใครอุ๊ยท่านคนนั้นปฏิบัติถูกท่านคนนี้ปฏิบัติผิดท่านคนนั้นเห็นถูกท่านคนนั้นเห็นผิดเดี๋ยวอย่าไปว่าใครเดียอย่าไปว่าใครเพราะว่าไอ้ที่บอกว่าปฏิบัติถูกปฏิบัติถูกเนี่ยเอาเข้าจริงก็ใกล้ตายวิชาริธฐิสวมปุ๊บก็งเลยไหนเดี๋ยวก็บอกไหนอะคุณว่าแต่เราว่าปฏิบัติผิดทําไมเอาตัวไปรอดเพราะไยัง นี่ทำไมไปลงมาอยู่อ้ใบภูมิได้แล่วใช่ไหมเสร็จเลยงั้นอยไปว่ากันให้เห็นใจกัน <c oughs> <with> เกิดมาหน้าเห็นใจมากในบรรดาที่มีมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายหน้าเห็นใจมากใช่ไหมหน้าเห็นใจจริงๆนั่นเนี่ยเราพูดๆไปเนี่ยโอก็แต่ละคนก็นหน้าเห็นใจนาะคนมีกิเลสเนี่ยจะไม่จะเรามันเราจะตัวรอดกันไหมเนี่ยอะไรก็คิดกันอยู่เนี้ย ที่ตอนนี้ยที่คิดกำลังคิดจะรอดหรือไม่รอดเดี๋ยวนี้ใช่มันเอาไหนนั่งกล่าวว่าทําอยู่ดีๆทำไมท่านมาเกิดอย่างนี้ย่งอีกใช่ไหมมันมันรอดแย่ถ้าคนไม่ระมัดระวังเนื้อระวังตัวให้ดีจริงๆเลยนะเนี่ยโดยเฉพาะช่วงอายุรวงการผ่านวัยมากๆแล้วเนี่ยความหลงลืมลงลืมเยอะๆเนะี่ยต้องระวังตรวยนะทีนี้ตรงนี้ก็คืออะไรตรงนี้เข้าใจนะว่า ถ้าพูดให้พล า, าเจ้าเนี่ยนะว่าอริ tha พิกูลเนี่ยกล่าวตรูพุทธเจ้าไม่ดีแน่เพราะพระอริมาสาสดาตรัสบอกว่า ก, กามเนี่ยโทษของกามเนี่ยโทษของวัตถุกามทั้งหลายโทษของกิเลสกามทั้งหลายเนี่ยเป็นอันตรายแก่ผู้ส่งเสพนะว่างไงนนะพุทธเจ้าบอกว่ากามเนี่ยนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็กดีกิเลสกามเป็นต้นก็ดีเนี่ยนะมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษของกามทั้งหลายนี้มากยิ่งนะโอ้ยโทษของกามมีมากจริงจรงเนีย ถามเอาแค่ว่าอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะที่จะต้องต่อสู้ในการชิงกรรมคุณกันทั้งหลายเนี่ยรูปเสียงกลิ่นเราสัมผัสมาจนทึกวันเนี้กว่าจะได้มาเนี่ยเอาลองมาคิดดูสิว่ามันมากขนาดไหนนะที่ยกตัวอย่างให้เห็นกว่าเราจะได้บ้านสักหลังโอ้โหปริมาณจิตปริมาณกรรมที่เราทํามากว่าจะได้บ้านแต่ละหลังนี่นะโอ้โหปริมาณเม็ดของชาวนาที่มันเกิด แล้วตอนนั้นเราก็ไม่รู้นีกุศลอกุศลเป็นยังไงใช่ไหมว่าสัมมาทิฏฐิเป็นยังไงมิจฉาทิฏฐิเป็นยังไงเราลองนึกอดีตดูทีเอาแค่อดีตที่เปวัจจุบัณณภเนี่ยเรามาพิจารณาดูที่กว่าที่เราจักจักได้รูปเสียงจินรสสัมผัสกว่าที่จะทําประกอบอาชีพการงานในการหาสแสวงหาทรัพย์ทั้งหลายเนะลองดูทีเราเหน็ดเหนื่อยอะ่ะและจิตที่มันเป็นไปกับที่เราไม่ได้คัดเราไม่รู้เลยอะ่ะว่ามันเป็นชาวนะประเภทไหนมโทษจากแค่ไหนอ่ะ มันได้มาจริงเนี่ยวัตถุเนี่ยเราได้มาแล้วแต่โทษที่เราจะต้องไปรับะจากการแบกวัตถุกา ร, รมหรือแสวงหาวัตถุกรรมต่งางๆเนี่ยจากการที่เราจะต้องไปเจ็บปวดเนี่ยเจ็บปวดเนี่ยเพราะว่าไม่เป็นไตกากุศลโดยส่วนเดียวแน่นอนเอาเอาเอาเอาเอะไรมานเนี่ยเป็นเป็นเป็ น, ปนจุด ข, ขายอยู่ขนาดไม่ค่อยได้ทําอะไรกับเขามากเนี่ย เพราะว่าพ่อแม่ก็บอกม่งนะงานการไม่ค่อยทำเท่าไหร่เนี่ยนะมัวแต่มาคิดกวัวบากกลัวกรรมเนี่ยนะสันนั้นก็ยังไปโชคเรื่อกต้องไปทกต้องไปฆ่าสัตว์ถึงบอกปริมาณเนะี่ยไม่มากก็แล้วแต่แต่ก็ทำไปแล้วทาไปแล้วและยิ่งไปเกี่ยวข้องนะยกตัวอย่างเช่นว่าไอ้ไทยพื้นเผ็นดิใช่ไห ถามว่นในขนาที่ไถพื้นแผ่นดินก็ดีขุดดินเนี่ยมันมาขุดมากก็คือไอ้ตมที่ขุดดินนี่แหละขุดไปปุ๊บแต่ละทีก็ใส่เดือนตัวขาดบ้างมาแมลงตัวขาดบ้างบางทีเยอะไปหมดไปขุดในป่าเนี่ยต้องทวนดินปุ๊บปุ๊บป๊บขึบ้นมาเนี้ยขาดเป็นแถวสบับอ่ะเห็นบ้างไม่เห็นม้างก็ลองคิดดูดิเพื่อจะได้ข้าวกินเนี่ยแล้วก็ไปปลูกข้าว พอปลูกเบเสร็จต่นี้ก็เบเสร็จขึ้นมาก็คือพ่อแม่ให้เอายาไปโรยให้ปูปูไปกินข้าวม่มาก็ไม่ทำไม่ทำนี่คนอื่นก็ไปทำคนอื่นทำเบเสร็จตัวเองก็ไปยืนดูปูมันชักดินชักงอตายต้องดูที่นี่หอมันมันเท่าไหร่มันแค่ปูหรือเปล่า ที่มันตายกลัวจะได้ข้าวมันกินกันทุกวันเนี่ยมันแค่ปูมั้ยต้องดูที่ว่ามันเนี่โทษของกรรมโทษของกวัวจะได้ข้าวมันกินเนี่ยเราต้อ ง, องเราต้องเราต้องฆ่าคนเท่าไหร่ต้องฆ่าสัตว์เท่าไหร่ที่เรากินข้าวมันแต่ละมือ้อแต่ละมื้ออยู่เนี่ยชาวนาเขาเปื้อนบาปเท่าไหร่เนี่ยกินผักกันเนี่ยชาวนาเขาเปื้อนบาปเท่าไหร่เขาต้องฆ่าสัตว์เนี่ยนะฆ่ า, มาแมลงฆ่าอะไรต่างๆก็คือกลุ่มสังสารวัตรเนี่ยมันเป็นโทษอย่างเนี้ย พระเจ้าบอกกามเนี่ยมีโทษเยอะมันมีคุณน้อยนิดเดียวสุขที่เราได้อะเช่นเราได้กินอาหารสุขไปมือมือเนี่ยแต่ในเบื้องหลังของความสุขมือมือหนึ่งนั้นน่ะมันเต็มไปด้วยความเปื้อนเลือดนี่ไงมันมีโทษมาก เ, าเรากว่าเราจะได้บ้านหักหลังเราถมที่เราพวนดินแล้วขุด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 ทำไมไม่เสร็จต้องเสร็จสิต้องดูสิเอาปริมาณดูถึงบอกก่าจะได้วัตถุกรรมชิ้นนี้มาเนี่ยถามว่าแล้วคมไหมคมกับบาปที่ลงทุนไปไหมเห็นไหมเนี่ยมันมันก็เป็นกันอย่างนี้ก่อนเนี่ยกุติหลังเนี่ยแต่ก่อนแล้วก็เห็นเ็าทำดีช่างก็ท ำ, ทำพระก็มาช่วยกัน ไม่รู้คิดผิดคิดถูกกันก็ไม่รู้นี่นะตอนที่เขาทำเนี่ยเหนื่อยบางคนก็เหนื่อยขนทรายกันอึดเอดอๆจนเหนื่อยคนก็บน่นแน่นโอง์ก็ถูกตียุคก่อ น, นี่ตรงเนี้ยเราเขาไปมองเขาทำเลยนะตอนนั้นเนี่ยพราเราก็มาอยู่ไม่นานเท่านั้นกรดูโอ้โหดีถึงตีกันใช้คําหยาบๆเรียกกันไอ้นีุมึงหนีนอ่อนรั่วหรือไง ต้งดูที่เนี่ยกวรจะได้หลังนี้ขึ้นมาเนี่ยมันบุญไหมเนี่ยมันดูเหมือนว่าเออคนทำเขาได้บุญไปใช่ไหมคนที่ก็าไปจากอะไรต่างเนี่ยเขาไม่ค่อยมาดูเท่าไหร่นี่ไอ้คนทํำเลยทั้งช่างก็ดีทั้งทั้งลูกมือช่งางก็เอาไม่ไม่เป็นก็เอาหยุดเรียนกันแล้วก็มามาช่วยกันขน น, ข น, นู่นขนทรายอย่างนู่นจอดเงขนเงินโยนเป็น บ, บุบบๆ บ, บมา เล่นกันสนุกสนานกันเล่นเล็กๆอ่ะพระด้วยอะไรด้วยเราสนุกกันมาเสียงหัวเราะกันอะไรเงี้ยนะมันถามมันเหมือนบุญเนี่ะแต่มันใช่ไหมละ่ะอันนี้พูดให้ฟังว่าเออมันเป็นอย่างนี้แล้วทางโลกไม่ต้องพูดถึงงานนี้มีอยู่ในในในจุดตรงนี้เราก็มาสังเกตโอ้พระเจ้าบอกว่าโทษของการนี่มากความสุขที่ได้จะเขาเขาให้เขาให้นิดเดียวเขาให้นิดเดียว นี่ทุกนี่ตรงนี้เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าการทั้งหลายพระบรมศาสดาเปรียบเสมือนล่างกระดูกมีทุกข์มากมีความครับแค้นมากโทษของการทั้งหลายนั้นมากยิ่งนะการทั้งหลายพระผการทั้งหลายพระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนเปรียบเสมือนกับอชิ้นเนื้อถ้าว่าชิ้นเนื้อเนี่ยมันเป็นทุกข์มันมันมันเป็นโทษยังไงชิ้นเนื้อเป็นโทษยังไง ชิ้นเนื้อเป็นโทษยังไงฮะพวกนกทั้งหลายใช่มหมมันมากิดกินชิ้นเนื้อเนี่ยมันแย่งกันไหมนั่คนที่แย่งกามาคุณเง น, นกันทุกวันเนี่ยมันแย่งที่กันใช่ไหมต่อสู้กั น, นธุรกิจไหยต้องต่อสู้กันเนี่ยถ้าถามคุณโยมกันเองเนี่ยจะรู้เลยนันไม่ต่อสู้อยู่ไม่ได้ต้องต่อสู้กันค่อนข้างรุนแรง เอาดีทุกลบแบบเลยใช่ไหมนั่นแหะก็คือสึกชิงกันนี่แหละต้องถ้าใครถ้าใครสามารถรอดพ้นนั้นได้เขาเรียกเก่งเก่ง น, น, น, นี่เป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้ทุกวันก็เป็นอย่างนี้อยู่่านี้แล้วก็ต่อสู้กันไม่มีทีจ่จบ จ, บ, จบสิ้นก็ว่ากันไปนะบริจาเปรียบเสมือนกับคบญ้าคบญ้าที่จุดไฟนะแล้วก็เผาไฟไปใส่ก็วิ่งและไอควันเนี่ยนะ เปลวไฟต่างมันก็โถมเข้ามามันไหม้โดยยิ่มันไหม้โดยยอะไรไหม้ราคะโทสะโมหะชาติชราพยาธิโสกับรีเดวะทุกขโทมนะสาวุปายาตใช่ไหมไฟสิบ็ด ก, กองเนี่ยมันจะเผากับคนที่เกี่ยวข้องนันว่าทุกข์กนอันนี้เนี่ยเรามาพิจารณาก็จะเห็นว่าฉะนั้นพระพุทธเจ้าตร ก, การทั้งหลายพุทธเจ้าตรัสว่าเปียกเสมือนความฝันนองนั่งเหมือนฝันจริงไหมเนี่ยก็คือฝันเลยอะที่ผ่านมา หรือหมดแล้วโอ้โหเนี้ยใช่ไหมเหมือนฝันเหมือนหลับตื่น น, น่ะฝันเนี่ยอที่เราว่าเออเราเราได้เรามีเราไม่ได้เราเสียหายเราไม่เสียหายสมหวังหรือผิดหวังเนี่ยฝันแท้ๆเลยเงราะในสังสารวัตที่ผ่านมาล่ะเหมือนความฝันที่จําไม่ได้ปัจจุบันนะพบนี้ที่เราทําอะไรไปแล้วเนี่ยนะทั้งทั้งที่เราสมหวังผิดหวังเ่ยที่จําไม่ได้ก็เยอะยิ่งในสังสารวัตที่ผ่านมาเนี่ยจําไม่ได้เลย นี่เหมือนความฝันแท้แต่เช่ไหมว่าเราใช้ขันท่าอายตนะของเราเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับวัตถุการมาอย่างยาวนานลองคิดดูนะว่าบางภบเราเป็นพระราชาเนี่ยเราจะถูกหมูเราจะทำกรรมขนาดนั้นนะใช่ไหมลองคิดดูทีเนี่ยบางภบเราการเป็นเพชฌฆาตัวเองเนี่ยเป็นพวกไปจัดการเป็นผู้ฆ่าตัวเองเนี่ยบางภบเป็นหัวหน้าโจรใหญ่เพราะความคิดฉลาด ไปเป็นหัวหน้าโจรเล ย, ดยเดี๋ยวนี้นำกองทัพออกคนก็บูดบ๊ด้วยอเนี่ยนะบางพบใจก็มาบวชโหแตกฉานมาทำคำสอนเขียนตำราเลยบางพบนี่เป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาเฮสอนวิปัสนาก็มาฐานก็อยู่แต่ต น, นเองมันรู้ไหมนะ้หนาสลดใจนะเรื่องการในวันหนึ่งน่าสลดใจมากเหมือนความฝัน นั่นแต่าหากว่าระลึกชาติได้เนี่ยนั่งร้องไห้ ส, สูงสูงต่ำต่ำสูงสู ง, สงต่ำต่ำอัตภาพที่ผ่านมาใช่ไหมบางทีก็เป็นอบัยศัตรีหลุดจากอภัยศัตร์มันยังดีอยู่อย่างเดียวตอนเนี้ยตอนนี้นะคือมิจฉาทิฏฐิไม่พัฒนาตัวไปจนถึงนิยธรรมมิจฉาทิฏฐิสแสดงว่าเราป้วนเพี้ยนป้นเปี้ย น, น, น, นอยู่ในภาษาศาสนาพอสมควรเลยเนี่ยคือมันก็ยังดักดักไว้อยู่ได้ แต่บางทีมันจะเลยเถิดอยู่แล้วในบางทีอมิจฉาทิถีเนี่ยใช่ไหมแสดงว่ามันเกี่ยวพันเรื่อยๆเนี่ยมาแบบนี้ยมาแบบคล้ายๆแบบเนี้ยแสดงว่าโอ้เอาตัวรอดได้บ้างเลยบ้างบววิดบวชวิดเนี่ยนะใช่ไหมแบบบวชวิดแล้วประเภบวชิดบวชิดแล้วแล้วเขาไปประมาทต่อบวชวิดไปประมาทต่อบวชวิดไปประมาทต่ออยู่เนี่ยโอ้เล่นชีวิตหวาดเสียวแท้ถ้ามันเลยเถิดไปเป็นเนื้อตามิจฉาทิถีเนี่ยก็ มันก็เลิกคุยกันแล้วไม่ไม่มองพระเจ้าแล้วกลุ่มเนี้ยทันหลังไอ้พระเจ้าแล้วก็เป็นกลุ่มที่ออกนอกออกนอกทั้งสังสารวัฏก็อยู่ในสังสารวัฏไปพวกนี้พวกหลักพวกเขาเรียกว่าวัด ต, ตาฐานนุกแปว่าหลักต่อของวัด ต, ตาไปเลยการทั้งหลายพระพุทธเจ้าเปรียบว่าเหมือนของยืมเข้ามาโอ้โหจะส่งคืนมื่อไหร่ไอ้ของยืมเนี่ยนะยอมรับพ นี่ไปยืมก็มานี่เนี่ยตาก็ยืมก็มาหูจมูกเลินกายใจเนี่ยยืมก็มาเสื้อผ้าก็ยืมก็มา ส, สมบัติทั้งหลายยืมก็มาเจ้าของก็ตามทัวงไปอยู่นะนี่เราก็ประเภทคอยหลบใช่ไหยคอยหลบหลบหลบบเกินนักฆาเกิดฆาเก็ทวงมาไปหมดใช่ไห ม, uma, มนนเนี่ยยืมมาไหมยืมมานี่สอบใกล้ส่งคืนนี้ยังยังส่งกรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสว่าเปรียบเสมือนผลไม้ผลไม้ที่มันดกดกคนแย่งกันไหม แย่งกันโอแ ย, ย่งถ้าหากว่าเราไม่มีผลไม้ใช่แล้วนี่ใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องแย่งแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนทุกวันเนี้มันเดือดร้อนเ่ามีผลไม้ก็เพราะมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าดับตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างถาวรได้แต่ว่าแล้วใครจะมาแย่งเนี่ยมันก็แย่งกันอ้โหแล้วเราปลูกไว้เยอะเลยผลไม้เนี่ยเอาไปแย่งกัน การทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสว่าเปรียบเสมือนเขียงสําหรับสับเนื้อไม่ใช่หั่นเนื้อนะเขียงสําหรับสับเนื้อฟ้เสียวหมปุ๊ปุ๊บปุเนี่ยฉะนั้นมีตามีหูมีจมูกมีเลิ้นมีกายมีใจเมื่อไรก็คือการมีเขียงโทษทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นจากความวิบัติก็เหมือนมีมีแต่มันสาดลงมาแต่ละที ป่าเสียวไหมละ่ะมีตาเดี๋ยวก็กสับปึ๊กเขาให้ก็เมื่อเช้าเนี่ยผองให้ให้เนียนพงเคี้ยวให้ก่อนเคี้ยวยังเนึยนมนปุ๊บ ก, ก็ตาก็ให้อะไรเลเรือดไหลเนีย่ยยังไม่นึกใจโอโหเนี่เคียง <c ười> เคียงหั่นเนื้อพรามันเคี้ยวออกมามัก้อนไม่สไม่ไม่ไม่ถนัดไปเนี่ยก้อนโดนเนียนก็มือสั่นีคือเรียบร้อยเลย โอ้โหร่างหน้าไม่ได้เลย <c oughs> นี่อยากเขียงเขียงเงนเนื้อ <c oughs> นึกไอใจโอ้โหหวาเสียวมากช <c oughs> ีวิตเนี่ยและอย่างก็คือเนี่ยมันเขียงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตามทั้งหลายพุทิยาตรัสว่าเหมือนกับหลาวมันก็เหลาวที่มันคอยพุ่ง แล้วกามทั้งหลายพุทธิย้าเปรียดเสมือนสีสามงูเหมือนหัวงูเห่ามีทุกข์มากมีความกับแค้นมากโทษของการาวทั้งหลายนี้ยิ่งนักอริ t ฐ a พิกขผู้เกิดในตระกูลคนข้าแรงแม้ภิกษุเหล่านั้นกล่าวอยู่อย่างนี้ก็ยังยึดถือทิฏฐิเห็นปานนะั<ม>้นเห็นหมขนาดพลาณนาให้ฟังท่านก็ฟังด้วยมิจฉายทิฏฐิอย มองคิดดูนะว่าบางคนไปฟังธรรมเนี่ยพอฟังฟังฟังมันเสร็จแล้วนี่นะฟังไปเสร็จก็ได้ไม่จ่าทิฏฐิเก่าไอ้เนี่ยข้าเนี่ยท่านสาธยายในยุค ก, ก่อนนั้นท่านสาธยายทั้งอุบมาอุบมาไม้นะสาธยายที่ก็ฟังอะที่ฟังได้ไม่จ่าทิฏฐิไอ้คนฟังได้ไม่จ่าทิฏฐิมีทงมันอยู่นะมีทงคิดของเขาอยู่เยอย่าเล่าพูดถึงาพูดหมองมองตาใสาๆอย่างเงี้ยมองก็จ่อปับ๊บมาว่า เราก็ยังเห็นอย่างนั้นก็เห็นชัดๆอยูน่นี้ก็เรามีปรรัญญาเราเข้าใจใช่ไหมท่านไม่เข้าใจหรอกท่านจะพารณาอย่างไงท่านก็ไม่เข้าใจเราเข้าใจพระธรรมของพระเจ้าเลยฮะไม่ต้องมาบอกว่าเหมือนชิ้นเนื้อเอ้ยเหมือนเขียงหั่นเนื้อเอ้ยใช่ไหมเหมือนผลไม้เ อ, อ้ยเหมือนความฝันเลยเหมือนของยืมเข้ามาเนะี่ยเราท่องได้เราจําได้ท่านไม่ต้องบอกแต่ตรงเนี้ยเราเข้าใจเราเราเราจำได้แล้ว แล้วเราเข้าใจด้วยว่าทอดของการที่พระเจ้าตรัสไว้ใช่ไหมทําที่สามารถทําอันตรายแก่ผู้ส่องเสร็จได้จริงเรามองเห็นว่ามันไม่อันตรายจะไปอันตรายได้ยังไงก็มาหาพูดดินน้ําใบลมมันกระทบกับดินน้ําไบลมไม่เห็นมีอะไรเลยก็เรามองเห็นโดยความเป็นปรมัตเมื่อแล้วเออเรามองเห็นด้วยความเป็นปรมัตเนี่ยท่านท่านเห็นอย่างนี้นะอริยตาพิฆุดท่านเห็นแบบนี้ เออถ้ามองก็เหมือนก็เออเป็นปรมัดต่อปรมัดเนี่ยรูปต่อรูปกระทบกันความเป็นหญิงเป็นชายเรื่องสมมุตินี่ถ้านเป็นสงฆ์เขาทที่เป็นปรมามัตดกับบัญญตัติตก็ปนเงินเขาอีกเนี่ยเหมือนคนบางคนใช่ไหมเวลาจะพูดดักในเรื่องนี้เขาก็แพงไปเรื่องหนึ่งยิ่งรู้มากอนะ่ะเพราะเขารู้ด้วยมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเหมือนถ้าถามบอกว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราบอกไม่เที่ยงเป็นดีเลยเยอะเลยแต่อัดของความไม่เที่ยงเคยกระทบใจเราชัดไหย เวทนาสัญญาสังขารมี ญ, ญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงบอกไม่เที่ยงว่าไยมอ้าเกิดมาก็ตายกันทั้งหมดแหละเนี่ยมันไม่ยัยเห็นด้วยปัญญามันเห็นด้วยทิฏฐิใช่ไม่ใช่ถ้ามันเห็นด้วยปัญญาเนี่ยไม่นั่งกันอย่างนี้หรอกมันจะดุ้งสะเทือนมากกว่านี้แล้วไข้ควรมากกว่านี้พิจารณาตรายตองมากกว่านี้นี่เขาเรียกว่าเห็นแบบไม่เห็นแบบมิจฉาทิฏฐิเห็นไม่ใช่เห็นด้วยปัญญาถ้าปัญญาเห็นปุ๊บนี่นะ อัตถาว่าไม่เที่ยงแนละ้วมีแล้วกลับไม่มีเนะี่ยทุกข์นะเพราะเบียดเบียนเนี่ยนะถูกความเกิดและความดับนะเนี่ยเบียดเบียนกระแทกกระทันอยู่ตลอดเวลาเลยอนนาตาเนี่ยไม่มีสาระเลยอ่ะไม่มีสาระของความงามในนั้นเลยไม่มีสาระของความสุขของความเที่ยงของความเป็นตัวเป็นตนในนั้นเลยแล้วก็คอนโทรลบังคับบัญชาไม่ได้จริงๆโอ้กระแสของ ข, องขนันทาตอศยตนะเป็นอย่างนี้อัตถาก็าปรากฏชัดขึ้นเพ่งไนงะ ตามจําแล้วในตามเพ่งโดยใจแทงตลอดได้ดีด้วยทิฏฐิหรสัมมาทิฏฐิเลยไม่ได้แทงตลอดด้วยมิจฉาทิฏฐินะแทงตลอดด้วยสัมมาทิฏฐิเลยอัฏฐานนี้ก็ปรากฏชัดเลยไงเนี่ยอันนี้จะให้แต่ถ้ามองอลอยๆก็ไม่เที่ยงแต่ยัง ง, ง, ง, ง่งๆซึมๆเนี่ยนะไอ้ไม่เที่ยงเอเก็ก็ทุกคนก็บอกไม่เที่ยงแล้วก็รู้แล้วไปฟังทำมาไม่รู้กี่ครั้งโดยกี่ครั้งนะก็เข้าใจถ้ า, าท่านจะพูดอย่างนี้จะต้องลงแบบเนี้ยคือพระเจ้าเวลาจะแสดงสูตรนี้จบอย่างเนี้ยเราจําได้หมดนี่ อัฐาไม่รากฏนันจะแปลกใจนะเหมือนแต่ก่อ น, น, อ, นอันมาว่าโยมท่านหนึง่งแกต้องโกรธหรือเปล่าไม่รู้เป็นนักบวชทีเนะี่ยอันมาบอกว่าก็เดี๋ยวนี้ไม่เห็นหน้ามาฟังดังเลยก็คงน่าจะโกรธคือคือจริงๆต้องการออกมากวังบอกว่าก็ศีรษาใช่ไหมก็คือประดุดดังเขียงรับมีดเลยคือมันไม่รู้สึก โกนยังไงโกนยังไงมันก็ไม่แทงตลอดสักทีก็ประดุดดังเหมือนเหมือนกับใช้มาว่าตัวเองด้วยเพราะจริงๆมืนเขียมแล้วมีโกนมากี่ครั้งแล้วได้อะไรกับเขาสักมั้งแล้วมานั่งโกนถากหัวเล่นนอะมาว่าเราตากหัวเล่นกันไปวันวันวันวันเราไม่ได้เธอโกนหรือเปล่าก็ก็หายไปเลยอะ้าบอกเออเห็นไหมว่าจริงๆเนี่ยวัตถุประสงค์คือต้องการให้เห็นว่า นี่เราประมาทกันมากแล้วนะี้ต้องการต้องการยืนตรงเนี้ยท่านก็ยืนยันของท่านว่าว่าเมือ่อแม้พิสูจกล่าวตู่อย่างอย่างนั้นก็ยังยึดถือทิฏฐิเห็นตบบนั้นอยู่ด้วยความยึดมั่นอย่างเดิมซ้ําแล้วยังกล่าวยืนยันว่าผมกล่าวอย่างนั้นจริงอาวุโ ส, สทั้งหลายผมรู้รั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระเจ้าทรงสดแสดงแล้วโดยประการที่ตรัสธรรมเหล่าใดธรรมเหล่านี้เป็นธรรมธรรมอันตรายธรรมเหล่านั้น ไม่อาจทําอันตรายแก่ผู้ช่องเสพได้จริงเนี่ยนะทา่านเรายังยืนยันท่านอย่างนี้เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่อาจจะเปื่องอริัตภิกข u ผู้เกิดในตระกูลพาลแรงเนี่ยให้ออกจากมิจฉาทิฏฐิที่เซลที่เร็วซามได้ก็พากันไปเฝ้าพราะบรมศาสดาทูลเรื่องนั้นในราบลาดับนั้นพระูพุทธเจ้าประสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์นี่ประชุมภิกษุเลยนะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเรื่องมิจฉาทิฏฐิเนี่ย ที่ฝังแน่นในกระแสขันธ์ธาตุยนตนาของพระเนี่ยในพ่อเหตุนั้นน่เป็นเขาหมูลพ่อเหตุที่เกิดนั้น่ะแล้วก็ทรงประสอบถามอริ tha พิกขู่ผู้เกิดในตระกูลพาลแลงว่าดูก่อนอริ tha าข่าวว่าเธอมีทิฏฐิสามทิฏฐิอัลลามกเห็นปานี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระสงฆ์แสดงแล้วโดยประการที่ตรัสว่าทำเราใดว่าทำเหล่านี้เป็นธรรมธรรมอันตรายธรรมเหล่านั้นหาอาจทำอันตรายแก่ผู้ส่องเสดได้จริง หรือท่านเห็นว่าไม่ว่าพระพุทธเจ้าว่าสถาคตกล่าวว่าทำเหล่านใดจะทําอันตรายแต่ทำเหล่านั้นไม่สามารถจะเป็นอันตรายท่านยืนยันได้อย่างนี้ใช่ไหมอนิษาพิถุก็กราบทึงว่าเป็นอย่างนั้นจริงพระพุทธเจ้าค่าเอาเละ<ม>นี่ต่อหน้าพระพักเลยนะไม่ถอนอีกไม่ถอนวิญญาณที่ถีในใจอีกยืนยันว่าตัวเองเข้าใจแสดงว่าท่านไปคิดมานานมากเข้าใจไหมเวลาท่านพิจารณาท่านไปทดสอบตัวเองเลยถ้ามองอย่างนี้ย ไปทดสอบว่ากิเลสไม่เกิดใช่ไหมไปทดสอบแล้วกิเลสไม่เกิ ด, ด ก, ไ ก, ดไกไ็ไม่ต่างกันเลยเนี่ยใช่หไหมเนี่ยสัมผัสเนี่ยไม่ต่างกันเลยเนี่ยที่ไม่เป็นนักตึกมากเลยเนี่ยเป็นนักคิดด้วยแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่ไปคิดเหมือนหลา ย, ลายๆท่านเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายที่นั่งคิดนั่งวิจัยอะไรเนี่ยเข้าใจใไว้เนี่ยทีนี้อริษาพิสุกก็ทูลว่าเป็นจริงก็รับสั่ง บอกว่าพระพุทธเจา้าบอกข้าแต่ข้าพระเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแล้วโดยประกาศที่ตัดว่าธรรมเราได้ทมอันตรายได้อย่างไรถ้าเรื น, นั้นหาอาจทำอันราแก่ผู้ทรงเสด็จจริงหรือไม่พระเจ้ากระตัสจะ ด, ดูก่อนโมคาบุรุษเอาอะไรตัวนี้โมคาบุรุษที่แปลว่าอะไรเนี่ยไม่มีสักมากเลยไม่มีคุณธรรมอะไรเล ย, เยถ้าตายตงเนี้แปลว่าว่างเปล่าเลยเนียว่างเปล่าจากคุณธรรมต่างๆแล้ว บอกว่าเพราะเหตุไรเธอจึงเข้าใจทำที่เราแสดงอย่างนี้เล่าทำมันทำอันตรายเรากล่าวโดยปริยายเป็นนันมากไม่ใช่ไม่ใช่กล่าวอย่างเดียวนะโดยทำปริยายเป็นนันมากไม่ใช่หรือทำเหล่านั้นอาจทําอันตรายแกผู้ท่องเสพได้จริงทำทั้งหลายเรากล่าวว่ามีความการทั้งหลายเรากล่าวว่ามีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความกับแค้นมากโทษของการทั้งหลายนี้มากยิ่งนะัก การทั้งหลายเรากล่าวว่าเปรียบเสมือนร่างกระดูกเปรียบการทั้งหลายเปรียบเสมือนชิ้นเนื้อการทั้งหลายเปรียบเสมือนคบหญ้าคบเพิงนี่นะการทั้งหลายเปรียบเสมือนหลุมฐานเพิงการทั้งหลายเปรียบเสมือนความฝันการทั้งหลายเปรียบเสมือนของยืมเข้ามาการทั้งหลายเปรียบเสมือนผลไม้การทั้งหลายเปรียบเสมือนเขียงสําหรับสับเนื้อการทั้งหลายเปรียบเสมือนหอกเหลาการทั้งหลายเปรียบเสมือนศีรษะงูเห่ามีทุกข์มากมีความขับแค้นมาก โทษของกรรมนี้มีมากยิ่งนะักเมื่อเป็นเช่นนี้เธอชื่อว่ากล่าวเราด้วยชื่อว่ากล่าวเราด้วยด้วยทิฏฐิที่ตนยึดถือไว้อย่างผิดผิดชื่อว่าทําลายตนเองด้วยเอาละสิทาลายขันทา่าอายะตนาของตนเองด้วยทําลายรูปปัฏฐานเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณัองตนด้วยนี่ก็เรียกทําลายตนเองนะและชื่อว่าจะประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นนั้นมาก เพราะข้อนั้นแหละจะเป็นไปเพื่อผลไม่เป็นไปไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแต่เป็นไปเพื่อผลจะประสบชาติทุกข์ชาทุกขมุลทุกโสกกาไปริเดวะทุกขโทมานัสสะอุปาญาติแก่เธอตลอดกาลนานพูดอย่างนี้นะการกระทําของเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่มอมใสและเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เขาเลื่มอมใสยิ่งดูก่อนพิกษัทั้งหลาย ก็แล้วพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้เอาแล้วประกาศสิกขาบทภิกษุใดกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วนี่บรรยาสิกขาบทเลยโดยประกาศที่จัดว่าเป็นธรรมที่ทําอันตรายได้อย่างไรธรรมเหล่านั้นหาอาจทรำรอันตรายแก่ผู้ท่องเสพได้จริงมหมภิกษุนั้นทั้งหลายพึงกล่าวว่าท่านอย่าได้พูดอย่างนั้น ท่านอย่าได้กล่าวตู่อย่างนี้ถ้าพุทธมีภิกษุไปไปกล่าวนะบอกว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวอย่างนี้การกล่าวนี้ที่เป็นชื่่อวาการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าการกล่าวตู่พุทธพจน์พราะเรามาศาสดาไม่ได้ตัดอย่างนี้ทำกล่าวท่านไม่ดีเลยเนี่ยนะพระพุทเจ้าไม่ได้ตัดอย่างนั้นเลยเนี่ยท่านพระพุาธเจ้าตรัสทำอันตรายไว้โดยโดยปริยายเป็นอันมากก็ทําเหล่านั้นอาจทําอันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงและภิกษุทั้งหลายก็กล่าวอยู่อย่างนั้นขืน คื้นถืออยู่อย่างนั้นพิกสูตรเหล่านั้นก็สวดประกาศห้ามผลที่สามทั้งที่หนึ่งทั้งที่สองทั้งที่สามนี่นะถ้าถูกสวดประกาศอยู่เนี่ยผลที่สามสละการนั้นเสียได้การสละนั้นเป็นงานดีคือสละธิฏีิได้ถ้าประกาศครั้งที่หนึ่งแล้วบอกครั้งที่หนึ่งแล้วประกาศครั้งที่สองแล้วนะเริ่มจะประกาศครั้งที่ถ้าประกาศครั้งที่สามนะสละโอโคคาเบยสละทิฏีิแล้วไม่เป็น แต่ถ้าไม่สละเป็นอาบัติปาริจิติแปลว่าอะไรขวางปุ๊บแสดงก็ไม่ตกสมมุติมาแสดงอาบัติแต่หน้าพิสูจนไม่ตกแล้วเพราะอะไรเพราะไม่สลัความเห็นงั้นการจะแสดงตรง น, นี้ต้องสละความเห็นทิ้งไปก่อนก็จะถามว่าความเห็นของท่านสลักทิ้งหรือยังที่ท่านประกาศว่าท่านรู้ทั่วถึงท่านก็ถึ ง, ถงธรรมมุตย์ยาวบอกไม่สละกเนีไม่สลัแสดงไม่ได้ ไม่สลาก็แสดงไม่ได้แล้วคุณก็เป็นหลักตอของว่าตาไปก็เรียบร้อยเลยนี่นี่ก็เรียกว่าในส่วนจริงท่านก็ไม่สลักแล้วทุกวันนี้ท่านเสียหายแล้วนี่อริธาพิคุเสียหายแล้วทําไมท่านถึงไม่สลักอ่ะอะไรเป็นปัจจัยแทำไม่ท่านไม่สลักเพราะท่านเข้าใจว่าท่านเข้าใจ ให้คนถ้าเขาเสพบอย่างนั้นมาตั้งใจแทย์จะทั้งชีวิตเนี่ยถ้าเขาถือว่าเขาเข้าใจแล้วเนี่ยเขาไม่ยอมปล่อยให้ความเห็นทั้งหลายที่มันไม่ถูกทั้งหลายเนี่ยหลายๆคนก็กอดไว้แน่นและความเห็นนี่มันก็ฆ่าตัวเองนี่แหละมันเป็นขุยไผ่มันทำลายก่อไผ่แล้วก็ไม่ยอมเลิกไม่ยอมละไม่ยอมที่จะสมาทานทิ้งนี่มันก็ฆ่าตัวเองถ้าถามว่าคนเดือดร้อนก็ตัวเอง ถามว่าเชื่อไหมคนหมหียแบบนี้มีจริงๆแม้ทุกวันนี้ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะไอคนเห็นแบบเนี้ยคนเข้าใจอย่างเนี้ยที่เอ่ออย่างยกตัวอย่างว่าสกาลาพามแกก็รู้ว่าแกจะต้องไปเกิดเกิดเป็นลิงแต่แกบอกว่าไม่เป็นไรแล้วเป็นลิงแกก็เป็นหนวนหน้าก็ไม่เห็นจะต่างเลยเนี่ยไอลักษณะนี้แล้วจะทํำยังไงอย่างเงี้ยแล้วจะทํ า, าทยัางไง มนันเห็นอย่างนี้แล้วไม่ถอนน่ะเพราะเขาเขายืดมั่นเขาแล้วว่าเขาเขาเข้าใจเขาอยู่ขาะพุทธทีนี้พวกชนที่ชื่อว่าพาลแแรงเพราะอาจจะว่าได้ฆ่าแรงทั้งหลายอริธักรอริอริธาชื่อว่าผู้เคยเป็นพาลแรงเพราะอาจจะว่าท่านมีบรรพบุรุษเป็นพาลแรงเป็นบุตรกูลของพาลแรงเกิดในตระกูลของพาลแรงนะนี่นะดูประวัติท่านนิด น, นึงนะประวัต ท, ท่านเป็นอย่างนั้นทีนี้ในรายละเอียดตรงนี้ก็คือว่า ทำที่ทําอันตรายแก่สวรรค์มรรคผลและพรนิพพานเะน่ยดูตรงนี้นะว่าทําอะไรเป็นอันตรายต่อสวรรค์ทําอะไรที่เป็นอันตรายต่อมรรคผลทําอะไรที่เป็นอันตรายต่อพระนิพพานอันตรายนะั้นมีอยู่ห้าอย่างอเขาเรียกอันตรายยิกระทำทำที่ทําอันตรายเนะี่ยมีอยู่ห้าประการเนาะในห้าประการนี้ก็คือว่าก็คือดได้านหน้าแห่งกรรมหนึ่งเนี่ยกรรมสองกิเลสสามวิบาก สีอ่อุปวาทะอุปวาทะนี่คือเกินให้ร้ายภาริยะห้อาอนาวีติกมะอานาวีติกมะก็คือการล่วงศึกขาบทล่วงละเมิดศึกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ในห้าประการนี้ชื่อว่าอันตรา ย, ยิกระทำทำที่ทําอันตรายนี่นะกรรมเนี่ยกรรมในที่นั้นคือพิกขุนีทูสกรรมะาว่าพิก คูณีทูสกรรมมากขาแปลว่าปฏิทุสลายนางภิกษุณีในที่นี้ท่านไม่ได้แปลไว้เนะก็คือการปฏริทุสลายนางก็อย่างนั้นถ้านมานพเนี่ยเอ่อท่านมานพนั้นเนี่ยปฏิทุสลายก็คือไปประพฤติคมขืนนางอุบลวรรณนางเนี้ยเทลีอันนี้เขาเรียกปฏิทุสลายภิกษุณีอันนี้ก็หมดเสร็จเลยอันนี้เป็นอันตรายเลยภิกคุณีทูสกรรมมาย่อมทําอันตรายแก่ โมกษาเท่านั้นไม่ได้ทํำไม่ไม่สามารถจะทําอันตรายแก่สวรรค์ก็คือไม่ทําคือเนี่ยตามมิจฉาทิฏฐิกรรมนะไอเหตุการณ์ทิฏฐินาฏิกาทิฏฐิแล้วก็อกริยาทิฏฐิเนี่ยนะอันเป็นอันตรายคือพวกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะพวกนี้ห้ามทําทั้งสวรรค์ด้วยนะพวกนี้นะ กิเลสก็คือปฏิส่วนที่พวกบันดอดเดรฉ า, านอุปตโตพยัญชนะนี่นะอันตรา ย, ยิกระทำคดีบากการเข้าไปว่าร้ายพระริยะเจ้าอันตรา ย, ยิกระทำก็คืออุปวาทะและก็อุปวานันทรยกรรมต่างๆ่เหล่านี้นะเป็นอันตรายตลอดที่ยังไม่ได้ยังไม่ให้พระริยะนั้นอดโทษให้หมายความว่าไปประสุทธร้ายพระริยเท่านเนี่ยไปให้ร้ายพระริยะจ้าท่านเนี่ยต้องไปขอโทษต้องไปขออดโทษท่าน ต่อมาก็ค อ, อบัต์อบัตทั้งเจดกองนะเริ่มตั้งแต่巴รเชิกไปจนถึงทุกอดนั่นนะนี่เป็นอนาวีติกะมะอบัตเหล่านั้นเป็นอันตรายต่อเมื่อพิกิตรยังปฏิญญาณถ้าอาบัต巴拉าชิกเนี่ยถ้าไปปฏิญญาณเป็นพระอยู่ตราบใดก็ไม่สามารถจะบรรลุได้เนี่ยห้ามเลยยัยงไม่ส่วนครุกาบัตที่เหลือก็มีการแสดงบ้างมีการกระทําคืนเป็นต้นและมีการอยู่ปริวาสกรรมเป็นต้นก็ว่ากันไป ในอันตรา ย, ยกระทำตางดังที่ได้กล่าวเนี่ยอธิษฐาภิกษุเนี่ยเป็นพระหูสูตรเป็นธรรมกถึกรู้จักอันตรายธรรมที่เหลือได้แต่เพราะไม่ฉลาดในวินัยจึงไม่รู้อันตรายอันตรา ย, ยกระทำหรือการล่วงละเมิดศิลปาบทเห็นไหมท่านไม่รู้บอกว่าไอ้ล่วงละเมิดศิลปาบทตรงเนี้ยว่าจะขวางกั้นท่านเนี่ยเพราะฉะนั้นเธอไปอยู่ในที่ลับได้คิดอย่างนี้ว่าบุคคลคลองเรือนก็บริโภคกรรมอาขุนะเช่นรูปเห็นไหมนางวิสาขา อาณาต่าปีนิกาเศรษฐีพระเจ้าพิพิสานเป็นต้นอะไรนี้โอ้มีลูกมีหลานเยอะแยะหมดไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมเออเป็นทศก a าคามีเป็นพระนาคามีแม้ภิกษุทั้งหลายก็เห็นลูกที่ชอบใจก็พึงใช่ไหมทางจักสูเป็นต้นหรือว่าสามารถที่จะยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิภัพฑ์เป็นต้นได้และไปยินดีไปเพิดเพลินอะไรต่างๆก็ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหม ก็คารวาดเหล่านี้ก็ยังยินดีต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้นะแล้วก็ยิงบอกบอกว่าบริโภคเครื่องนึ่งโฮมเป็นต้นอ่อนนุ่มข้อนั้นควรทุกอย่างเพราะเหตุหลายรูปสตรีทั้งหลายเป็นต้นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ของสตรีทั้งหลายจึงไม่จึงทั้งทั้งที่ไม่ควรเนะี่ไม่ควรอย่างยิ่งเนี่ยท่านก็เห็นว่ามันควรเธอเทียบรสกับการบริโภคการมะคุณที่เทียบกับรสกับ การบริโภคปัจจัยอันไม่มีโทษอย่างนี้แล้วการบริโภคกรมคุณที่เป็นไปด้วยฉันตราคะและการบริโภคที่ไม่มีฉันตราคะให้เป็นอันเดียวกันคือคารวาที่ก็เป็นพระสสดาบันทั้งหลายเป็นต้นเหล่านั้นเขาบริโภคก็จริงแต่สิ่งต่างๆนั้นเขาละกรรมบาราคะกรรมบัญชาได้อย่างไงท่านก็ไม่เข้าใจตรงนี้นะทิศฐีอันลามกได้เกิดขึ้นดูดบุคคลเนี่ยต่อได้ละเอียดยิ่งกับเส้นปออันหยาบ มันคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมเอาเส้นปอที่หยาบเอาเส้นได้ที่ละเอียดมาต่อกันเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะมันเป็นเส้นเหมือนกันมันเป็นเหมือนได้เหมือนกันแต่อันนึ่งเป็นปอที่หยาบแต่อันนึ่งเป็นของละเอียดก็เหมือนกันก็คือบอกว่าคําสอนของพระเจ้าคือพระวินัยที่ทรงบัญญัติให้กับพระทีเจ้าให้กับสาวกของพระองค์ปฏิพุริปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับเส้นได้อย่างเงี้ยการมาคุณทั้งหลายนะเหมือนกับปอที่หยาบหยาบเนี้ยนะเอามาต่อกันอย่างเงี้ยหรือเอา วูเขาสิีเนื้รูปไปเทียบกับเมล็ดพันประกกาดอี่างนเทียบเนี้ยฉะนั้นจึงขัดแย้งสัพพัญญุตยานว่าเนี่ยการกระทําของท่านการเห็นของท่านเนี่ยขัดแย้งต่อสัพพัญญุตยานของพระบรมศาสดาดูภู เ, เขาสิีเนื้รูปไปเทียบกับเมล็ดพันธุ์ผกาศแล้วก็ขัดแยง้งอภยุตกับสัพพัุตยานเชไหนพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติปฐมบาลฉิกด้วยความมุสาหามากท่านเห็นอย่างนั้นนะท่านบอกโอ้ การเกี่ยวข้องกันนี้เรองการมาคุณไม่เห็นต้องบัญญัติสิกขาบทขนาดนั้นเลยเพราะคนที่เป็นคารวาทั้งหลายเป็นพระโสดาบันก็ยังใช่ไหมบริพ่อกามาคุณอยู่ยังเกี่ยวข้องกามาคุณอยู่เอะพุทธเจ้าไม่น่าจะหนึกเหนื่อยในการที่จะต้องมาบัญญัติสิกขาบทข้อนี้เลยโอ้โหพูดนี้กระทบเลยใช่ไหมเนี่ยนี่หนักมากเลยเนี่ยกระทบต่อพญายานเลยพระพุทธเจ้าก็บัญญัติปฐมประลักชิกโดยอุตสาห์ ดุดทรงกั้นมหาสมุทรโทษในการนี้ไม่มีดังนี้ตัดความหวังของพวกพระพระบุคคลได้ให้ประหารในอาณาจักรคือปฐมประชิกสิกขาบทของแห่งพระชินาจ้าอริษธธราภิกษุเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ทาเสียหายแล้วตรงนี้ก็เรียกหากชินนาจากักก็เหมือนบอกว่าสมมติว่าเราจะไปทำลายคำสอนพุทเจ้าสักหนึ่งสิกขาบทใช่ไหม อันนี้เขหักชินจักรของพระเจ้าเลยคือพระธเจ้าบัญญัติสิกขาบทเขาไว้ปุ๊บแล้วก็อุย้ยสมัยนี้ใช่ไหมสมัยนี้มันยุคไหนแล้วเมันมันมันใช้ไม่ได้แล้วก็ใช้ความคิดคนตนเองหักชินาจักรของพระเจ้าเลยคือพระเจ้าเนี่ยท่านมีสพาวุต ย, ยานมีอนาคตา ต, ต, าาตังสยานมีอติตังสดาอย่างอนาคตตังสยานแยกย่างพระองค์รู้อนาคต องบัญญัติเนี่ยไม่ใช่บัญญัติในปัจจุบันนู้นอย่างเดียวแม้ น, นาคโคโธงก็บัญญัติเผยแผ่ไว้แต่เราเนี่ยชิดด้วยจิตที่ลา ม, มกเราก็บอกไปถอนด อ, อกแซอันนี้ยไม่เหมาะแล้วจะยกเนี้ยต้องต้องถอนสิขาบทตรงนี้ออกไปเพราะมันปฏิบัติกันไม่ได้แล้วนี่ก็เลยกลายเป็นโทษเลยีน้เข้าใจใช่ไหมเนี่ยมันถอนได้ไม่ขาดทีทีทีทนี้ก็แย้งกับดังที่ได้กล่าวทีนี้ อีกอย่างหนึ่งก็คือการทั้งหลายเปรียบเสมือนโครงกระดูกอาจถว่ามีความยินดีน้อยเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อเพอาจจว่าเป็นของทั่วไปกษัตริย์เป็นนั้นมากแล้เป็นเหมือนกระคบยากเพรแต่ว่าเผาร้นแบบนี้นี่แล้วก็เผาต่อไปเหมือนกระล่ำฐานเพลิงว่าะัต่ว่าเร่าร้อนยิ่งนักเปรียบเสมือนความฝันเพราะแต่ว่าปรากฏชั่วเวลาเพียงนิดหน่อยเปรียบเสมือนของยืมเข้ามาก็เรียกของชั่วข่าวเหมือนผลไม้ก็คือทําลายไว้ยวะน้อยใหญ่ทั้งปวงใช่ไหมถามว่ามีอวัยวะชิ้นไหนบ้างที่ไม่ถูกทําลายก็เหมือนผลไม้อ่ะ เกิดขึ้นมาแล้วผลไม้ทำลายตัวมันเองไหมถ้าไม่มีคนทำลายก็ทำลายตัวมันเองหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นอาหารของบุคคลอื่นใช่ไหมใช่หรือปล่อยทิ้งเอาไว้กันเหมือนกันผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเนี่ยเราไปดูแต่ละชิ้นดีเป็นผลไม้ไหมเนี่ยเป็นผลไม้มีนนมมคนก็อยากได้กันเยอะใช่ไหมเขาแย่งกันเอาแย่งกันยังไงก็ทำกรรมเพื่อต้องการจะได้ผมขนเล็บฟันหนังไงใช่ไหมแล้วก็พาการรักษาตัว น, นี้รักษาผลไม้กันรักษากันใหญ่เลยตรนี้ ก่อนจะร่วงบางคนล่วงเขามาต่อไปร่วงยังมาต่อไปเลยต่อว่าเออเมดี๋ยวนี้หมอเขาเก่งผลไม้ร่วงแล้วก็ต่อได้เพราะงั้มีการเตาะ ต, ต่อพันธุกรรมได้ด้วยใช่ไหมนี่กรรมต่อพันธุกรรเพราะผลผลไม้มันใช่ไหมคล้ายๆว่ามันหมดอายุแล้วแนละ้มันเปลี่ยนสีแล้วมันจะร่วงอยู่แล้วกลายเป็นสีขาวแล้วออกสีขาวสีทองแล้วเนี่ย บงคนยังบอกเออสวยดีจังว่าไงคือพูดในวินดีใจจากสีดํากลายเป็นสีขาวมันขาวหมดหัวแล้วก็เลยว่าสวยดีในกายเป็นโง่สวยด้วยที่ไหนได้ผลไม้มันจะร่วงเป็นผลไม้จริงเนาะพิจะนาโหร็จเลยหมดอายุหมดเลยผลไม้ใกล้หมดอายุให้ปุ๋ยไงก็ไม่ยอมกินปุ๋ยเลยเดือน นะครับตั้งเป็นตั้งอวิตามินอะไรก็มารูา้ใส่เข้าไปใหญ่เลยทีเดียวใส่เข้าไปบำรุงเข้าไปเอาไม่อยู่นะครับนะครับก็โอ้ของยืมก็มาแท้แท้ใช่ไหมเรียกว่ามันหมดของของถ้าหมดอายุเนี่มันบางทีมันก็ยังไม่ทันหมดอายุใช่ไหมมันก็ถูกแย่งไปก่อนถูกพรากไปก่อนก็เสดายอยู่พักคนที่อยู่อะเสียดายกันอยู่พักเดียวแ ค, นะ ค, นะค่นั้นเชื่อเถอะต้องสังเกตดูโอ้ไม่นา่าหรือไม่น่าร่วมเลย นาเขา้านาเขา้าเขาไปยึดผลไม้ลงมาใช่ไหมเขาไปยึดกันใหม่บานทีก็เอารวบติดไว้หน่อยแตนะ่นี้ญาตินีพ่อเี่ยผูนี่อันนี้เป็นยังไงจริงๆนาเขา้านายเขา้าพออยุข้างหลังก็ลืมเลยนาเข้าถามเคยถามหลายคนนะนี่นรูปใครเนะนี่ยนญาติผมนี่เลยผมจําไม่ได้จําไม่ได้จะว่าไงเนฮะ้ยน้ำัะคนเดียวกันเนี่ยไม่จำไม่ได้ไม่รู้เป็นกงงเป็นอะไรก็ไม่รู้ความนั้นนะ จำไม่ได้เลยววะงั้นเขาลืมหมดแล้วใครมันจะจำให้มึงยังไปเก็บไว้บอกก็บอกทิ้งให้หมดเพายังไงพวกเังก็ลืมเราอยู่แล้วว่างั้นนี่ทิ้งให้หมดมีมีหลวงตาองค์ที่ว่าคนยอนับถือเยอะๆเขาถามบอกว่าตายแล้วก็จะให้ทาเอากระดูกเก็บไว้บอกบอเอาไปทิ้งให้หมดเนี่ยตาม เดี๋ยวเดี๋ยวพอพวกมึงตายหมดแล้ ว, วกูก็กลายเป็นผีไม่มีญาติ <c ười> แกจะพูดคํำโ ก, กูกงมึงอ่ะมาฟังไหมแกบอกว่เดี๋ยวพวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงตายกันหมดแล้ ว, วกูก็กลายเป็นผีไม่มีญาติงั้นแกกลัวแกกลั ว, ลวไม่มีญาติสรุปแล้วก็คือโคตรใช่ไหมอพอรู้จแล้วมันจริงมันเป็นอย่างนี้ก็คือมันจะให้ใครมานั่งจาําเราแค่นี้แหละตั้งระดับพระเจ้าใช่ไห ระดับพระเจ้าเนี่ยมีถ้าต้องการให้คนจําอย่างถาวรเนี่ยคือต้องเป็นพระเจ้าแต่แต่ก็มีลืมนะเพราะถ้าไปหลายแสนองค์อีกในอนาคตเนี่ยเขาก็ได้แต่คานึงคํานวณว่าหลายแสนองค์ไว้แค่นั้นเองต้องไปอยู่ในระดับประมาณสักยี่สิบแปดองค์ก็ยังพอจะจําชื่อด้ะใช่ไหมเออประมาณนั้นแหะยังะจะพอจํากันได้แล้วเหลือประวัติเริ่มน้อยลงนะเริ่มน้อยลงเลยแหละ ต, ห ต, หตันหังกรเมยทางกรจตนากรเนี่ย ทีบางกรเนี่ยยังพอจําได้แล้วก็ยังลงบันทึกถ้าบันทึกไว้ทั้งหมดก็ยิ่งอายุของศาสตร์เปนเ mm hmm. หลือน้อยมัวศึกษาประวัติเกิดไม่ได้ก็ใส่ประวัติของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่สืบคนนะ้นกันนาะแทบจะไม่ต่างกันอย่างไรอะไรเงี้ยก็สืบค้นกันอย่างนั้นเพราะว่าจําไม่หมดนั่นในสังสารวัฏในโลกใบเนี่ยมีผู้ยิ่งใหญ่มาเกิดไม่รู้เท่าไหร่แล้วแต่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้เยอะแยะหมด จากนั้นแต่าปาถนาจะมีชื่อจารึกจริงๆก็เป็นพระเจ้าเลยหรือต้องนคุณใดคุสัตว์หรือสัตว์เลยตั้งสัมมาสัมโพธิญาณลงสูงก่กระแสขันท่นาไดยตนะเลยแล้วก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่วงเป็นบา ร, รมีสิบอุปบา ร, รมีสิบล้วัฒบา ร, รมีสิบเอาจริงเอาจังไปเลยเอาลองคิดดูที่เรี้ยวแรงอย่างเราเพอไหวไหมพอไหวก็ปุกเข้าไปเลยเข้าไปก็ตั้งจิตนิฐานเอาแล้วยังไงทาไหวไหมไก็ไปตั้งลงทันเปุ๊ก เราจะทำแล้วตรงเนี้นะตั้งจิตอธิฐานเลยเอาพระมาเป็นสักขีพยานบอกมีมณ์สักสักหมื่นลกูกเป็นประสมถ้านเอาทำได้ยังไหมจะไม่ได้ใช่ไหมตั้งกระเจ้าจิตเลยเหนียใช่ไหมเอาสักหมื่นลูกในยุคนี้ าอ่า จ, จะไม่พูดก็ไดไไ้ใช่ไหมตั้งในใจใครจะไปรู้หรออย่างเงี้นี่นี่เนะ น, น, นหนึ่งวิธีจะหลายอีกวิธีเยอะแยะใช่ไหมใช่ไหมจริงๆมนุษย์มีศักยภาพจะทําได้ไหมได้ปรารถนาได้แต่ต้องศึกษาข้อมูลนะอย่าไปปรารถนาแบบไมไ่มีข้อมูลเนอะอ่านให้เยอะๆศึกษาเยอะฟังพอทำมีเยอะพอรู้ข้อมูลไปเสร็จก็อเอาแล้วเราจะประกาศใช่ไหมเราจะเดินตามร่องรอยของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว แล้วนี่แหละจะเดินเคยเดินปิดปิดพลาดพมาแต่ตอนเนี้ยสมมาทิฏฐิมันเกิดแล้วก็เดินเลยน่เหมือนตามวิรที่คิดอย่างนี้แต่ใครทำอะไรบอกด้วยจะได้ไป่ปากเนื้อปากตัวอันนี้พูดพูดให้คิดใช่ไหมให้มณนัิการให้ใข่ควรแต่ว่าตรงนี้ให้ชี้อีกจุดหนึ่งก็คือว่าเกี่ยวในเรื่องของตามทั้งหลาย ที่จริงถาถามบอกว่าในบรรดากลุ่มพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเขาเห็นท่านเห็นโทษของกรรมไหมเห็นไหมเปลี่ยงเป็นโครงกระดูกเนี่ยถ้าถามว่าโครงกระดูกเนี่ยให้ความยินดีมากหรือความยินดีน้อยถ้าเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะเป็นโครงกระดูกเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหเห็นไหมนั่นจะไปยินดีอะไรอ่ะถ้าเราเห็นบ้านเป็นโครงกระดูกถ้าเห็นรถเป็นโครงกระดูกแล้วมีใครจะไปยินดีโครงกระดูกอเราไปดูดิเอ๋พระท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าบอกเป็นโครงกระดูก มองซ้ายมองขวาวก็ไม่เห็นมันเป็นโครงกระดูกใช่ไหมจริงๆเป็นโครงกระดูกเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วเป็นชิ้นเนื้ อ, อยังไงเป็นไปคือทั่วไปแกสัตว์ทั่วไปแกสัตว์มากก็ก็หมายความว่าแย่งกันนั่นแหละเป็นคบเพิงคบย้ายัางไงเผาเดี๋ยวนี้เผาไหมถ้ามีตางองหมูริ้กใจใจร้อนไหมร้อน แล้วท่าไปมีตาหูจมูกลิ้นกายใจในะนาะกคจะร้อนอีกไหมเอาก็ร้อนนี่มันเผาเขาบอกนี้มันเผามันเผาอย่างนี้หลุมถ่านเพลิงละ่ะร้ อ, ยอยนยะิ่งนักเป็นหลุมด่านเพลิงมันไม่ เ, เผาอย่างเดียวมันร้อนอย่างมากด้วยเหมือนหลุมเถาถ่านเพลิงมันร้ อ, ยอยนตลอดเวลาเลยถามว่าราคาเผาตสอดเวลาไหมมันเหมือนอย่างนี้นะ เ, เหมือนกับเอาหมอ้อตั้งบนเตาแล้วในนั้นมีน้ําใช่ไหมเป็นน้ํามันหรือเป็นน้ําไำในหม้อก็แล้วแก่แท้ ข้างล่างมีไฟแล้วไฟมันก็ลุกพลบมันร้อนไว้นะฉะนั้นตัวราคาโทซามหฮ่า น, นเผาตลอดมันเผารูปเบชนะสัญญาสัญญาวิญญาณเนี่ยนี่เราไม่ยอมยอกหมอออกจากเตาเนี่ยเราก็มานั่งอยู่ายกลงเสียไปเผาอยู่ทำไมยกหมอลงมาเดี๋ยวเต า, ามันจะเย็นใช่ไหมก็คือเอาราคาโทซามหฮออกเสียใช่ไหมไอ้เตาเผาตัวนั้นเน่ะ คือราคาโทสะโมหะแล้วก็ชาติชร า, าพญาทิชาติชร า, าพญาทิโสกรารวิเทวะทุกขโทมนะสาวปายาตเนี่ยไฟสิบเอ็ดกองเนี่ยมันเผามันเป็นหลุมฐานเพิงเผาอยู่นั่นแหละยกหม้อลงให้มันเย็นใช่ไหมพอมันเย็นเบ็ดเสร็จแล้วต่อไปไม่มีอะไรเผาแล้วกลับไปไปยกไม่เผาอยู่แล้วมันเผามานานแล้วในสังสารวัฏเนี่ยกระแสขันทาา่าในยตนาในโพ้นนี้ดูง่ายใช่ไหม แต่ยกยากเหลือเกินไม่อยากยกไม่จะยกลงเลยเสียดายยังมีรู้สึกว่าเอ๊ร้อน A, nt, มันก็มีความสุกดีนะอะไรเงี้ยราคาโทรศัโมหามเพราะบางคนชอบอยู่กับราคาโทราศัพท์โาฮาภาถ้าราคาเราไม่เกิดเราจะคุยกับคนีที่มีราคารู้เลียมไหมว่าเขายัจะมาถ้าสมมติเราเห็นอีกคนนึงโกรธเนี่ยถ้าเราไม่โกรธให้มากกว่าเขาเนี่ยเราก็ข่มเขาไม่ได้อะไอเตยทฤษฎีเนี่ยก็บอกถ้าเขาโกรธน้อยกว่านี่นะเราโกรธมากกว่าเราชนะ ถ้าโกรธพอๆกันก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันนะเพราโกรธมากกว่าใช่พวกนั้นมันยอมมันยอมเอาดีโดยทฤษดีไงให้สังเกตดูทีทั้ประเทศมหาอำนาจทั้งหลายเนี่ยก็ถือการโกรธมากกว่านี้สังเกตดูจะยอมกันเลยสังเกตดูก็ถือการโกรธมากกว่าเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าเอ้าเขาเขาประเภทที่ประเภทงงหัวจะสู้หรือตุ้มๆๆๆเลยนี่เขาใช้โกรธมากกว่าข่มเขาไว้มันก็โอ้ไม่กล้างอเลยไม่กล้า จะไหมจะสร้างนั้นขึ้นมาไม่ได้ไจัดการนีร้อว่าจัดการเลยเขาใช้ทฤษฎีงานโกรธมากกว่าให้คนโกรธน้อยกว่าก็สู้ไม่ได้คือเขาเรียกว่าใจถึงกว่าเขาแลกลใจกันนะประเภทนั้นคือใช้โทรศัพ์ได้แหละการตัดสินเนะี่ยแม้การค่า บ, บางอย่างก็ใช้โทรศัพท์ตัดสินใช่ไหมเอาที่คุณท่มคุณเสนอราคาเนี้ยเราเสนอตุ้มๆๆเลยเสนอด้วยความโกรธนะนั่นแหละเขาเรียกโกรธมากกว่าโอไม่ไหวแล้วไอใจมันถึงกว่าเราก็ภาพเสื่อกลั บ, ลบไปเขาจะจะมา เนี่ยก็ใช้ทฤษฎีโกรธมากกว่าชนะไอ้ตอนยกคมนิดเนี่ยบอกขอขายพูดอย่างร้องใช่ไหมให้สังเกตดูทีเอาที่นักษาประตูงี้ไหมประตูงปิดเลยเจตุรัสเลยเทียนั่นเหมือนเน่ไอ้จตุรัดใช่ไหมปิดเบ็ดเสร็จกับรถถังวิ่งเหยียบเลยเงี้ยเนี่ยใช้โกรธมากกว่าปิดทีวีทุกช่องแล้ววิ่งเหยียบเลยเงี้ยนี่เขาใช้อย่างนี้โอ้โหนี่ไม่ได้แล้วเขาไม่กล้าเลยนี่ก็งหักันเลยนี้ไม่กล้าเลยเนี้ย ทฤษฎีในีใครทำบาป ม, มากกว่าเขาก็ยกย่องมันอันนี้ไม่ใช่ทางภาษาศาสนาไม่ได้ถือทฤษฎีนั้นอันนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการละทีนี้ชาวโลกทั้งหลายก็มาเรียนแบบลูก้ำท่าจะขึ้นเสียงหน่อยทำเสียงดังๆกว่าก็ลูกก็งอลงไม่ได้แล้วแม่เสียงดังกว่าพ่อเสียงดังกว่าใช่ไหมพ่อตีได้ะแต่เราตีพ่อตีแม่ไม่ได้ใช่ไหมก็ก็ยอมดิ เด็ก็หมายตาไว้อยู่นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวกต่อขึ้นก็จะตีลูกให้หนักกว่านี้เมื่นเต้นมาอันนเนี่ยปู่ย่าตายายถ้าลึงตามองก็แหลงมากทําก็แรงมากเดี๋ยวต่อไปก็จะเล่นกับลูกหลานมันก็ทฤษฎีอย่างเงี้ยไม่ใช่ในคําสอนมันสัตอันเนี้ยสิ่งเะไรเนี่ยมาทํามาเนี่ยตอนถด็กก่อนสอนเรียนก็ตีเรียนเนี่ยก็ตีเนนี่ยใช้โกรธมากกว่าเรียนก็ยอมเดี๋ยวนี้มีใครมาหาเราแล้ว ไตินี่ทฤษฎีมันผิดทฤษฎีเนี่ยมันผิดไม่ถูกแต่มันยังเป็นที่นิยมของคนในยุคปัจจุบันและในอนาคตก็จะนิยมกันต่อไปใช่ไหมเอาใครเคยทำงานเนียที่ไม่โกรธแบบนี้เอาให้ทำงานันที่นั่งๆๆก็อยู่เนี่ย เคยเอาความโกรธนั้นเป็นตัวนําหน้ากันเนี่ยแล้วก็ได้ผลเงินมาพอสมควรเน่ยได้ผลแต่มันตามมาด้วยการเผาร้อนทุกวันนี้หลายๆคนก็มานั่งซ่อมนั่งซ่อมคือเร่งไฟมากไป ม, มันเผาไอไฟก็มาเผา ห, เหูใช่ไหมนี่ราคาโทวสาเผาแต่กรรมที่ทําไปใครรับก็ขันท่าระยะชนะเนี่ยจะต้องไปรับต้องไปเสวยต้องไปลําบาก ต้องไปทรมานใช่ไหมนี่ไงโทษของการมนี่มันมีมันมีคุณนิดเดียวอะได้รับยกย่องวงบางทีก็ให้ตำแหน่งเอาให้มา เ, าเป็นหัวหน้ามีเจ็บบางคนก็ให้มีใบประกาศมอบให้กันเ น, นี่ไม่เอาแล้วใบประกาศไม่เอาแล้วใครมาเอาใบาประกาศมาให้ใบประกาศมาใหูเยโอยเดกลัวมากฤติธรรมไม่เราหลงผิดดีมีสมัยก่อนก็เขาแต่งตั้ง ก็เขียนโอภาวนี้นี้หน่วยการนี้เขียนแต่งตั้งให้เราไปดูโอ้ไปต่ตั้งหน้าชื่นใจเหลืเ อ, อเกินพอพอเขาพอเขาแต่งตั้งปุ๊บเหมือนให้มีตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้โอ้เดินรอบวัดเลยเดินเลยมองโอ้มองไม่เหมือนไม่เหมือนพระธรรมจ า, ามองแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรไปแล้วอยู่ในใจอะ่ะมองเคยเห็นไหมมันมันป ร, ประหลาดประหลาดนะค่อยๆเราเป็นหัวหน้าใช่ไห ม, มันก็เดินโอ้ดูดูคนอื่นกลายเป็นเล็กน้อยหมดแล้ว ตนนัวเงเหมือนมีอำนาจ ม, มากมายเราเต่ามามองใบ ป, ประกาศต่อถ้าใครขัดแย้งต่อใบประกาศนี้คําสั่งลงไปเขียนคําสั่งลงไปเลยนะมีการให้โทษด้วยโอ้ให้คนให้โทษด้วยคนนั้นก็บ้าแปลกจะมาพอไปได้รับใบนั้นก็มาก็เดือดร้อนมากเห็นไหมล่ะเดือดร้อนวิ่งค่านไปหมดแหละโอโหประหลาดมากนี่ นี่เขาเรียกว่าโทษของการมแท้ที่โทษของการมดีนี่ก็ตอนนี้ก็มันผ่านผ่านจุดนั้นมาแล้วใช่ไหมกว่าจะมารู้พระธรรมของพระเจ้านี่แทบแย่ไหมแทบแ ย, ย่กรรมไปแล้วเท่าไหร่ใช่ไหมก็เอามาเป็นบทเรียนบอกคนอื่นคนอื่นฟัง <c oughs> เขาไม่เป็นเราก็ว่านี่ก็ประมาดเีกกลุ่มนี้ทั้งทั้งเดียกวกาเขาประมาดจริงนะ แต่เขาก็ไปทําอีกเดี๋ยวเขาเจ็บปวดมาก็มานะมัเออนี่ยเห็นไหมก็เป็นลักษณะ น, นี้แต่มีบาง ก, กลุ่มไม่ยอมบอกพ่อปูป่พ่อแม่ปู่ย่าตายายบางทีใช่ไหมเขามีลกูกมีครอบครัวเนี่ยววเขาไม่อบอกเราเขาไม่บอกเขาบอกเออแต่งงานดีมีครอบครัวดีขยันทำ ม, มา ก, กินก็ดีก็อบอกกันอยู่เ ง, งี้ยทั้งๆที่มันไม่ถูกไม่ถูกเลยทั้งผิดแล้ว ได้ไยว้พรเนี่มันเกิดผิดแล้ว ม, มันมันมันเป็นโทษของสังสารละวัตถ้าจะไปก็ต้องบอกให้เขาใหม่บอกว่าเออเอย่าประมาทใช่มบอกว่าทุกข์เยอะลำบากมากเนี่ยต่อสู้มาจนี่ยไปบอกใหม่บอกลำบากเนี่ยดูป้าดูน้าดูพ่อดูแม่เป็นตัวอย่างเหนื่อย เหนื่อยมากแล้วบุญน้อยไม่หน้าเข้ามาติดกลับเลยอย่างเงี้ยเรไปพูดอย่างเงี้ยกล้าพูดไหมไม่บอกเขาอย่างงั้นต่อไปก็มองหน้าได้เนียเขาจะชิดลื่นเล่นกันนะพูดอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเชื่อไหมเขาจะจําคําพูดเราเลยพอไปประสบความรู้เพราพูดไงเขาก็ไม่ไม่ได้เขาก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วใช่ไหมเขาไปเตือนเขาบอกอย่างเงี้ ถ้ามันมันมาถึงขนาดนี้แล้วทาําังไงใช่ไหมแต่ว่าเหนื่อยเยอะงานทั้งนั้นนี่ใช่ไหมทุกทั้งนั้นเล ย, เ น, ยนี่มันดีกันวันนี้แหละเดี๋ยวก็ไปขัดแย้งกันเนี่ยนี่ยเข้าเนเข้าก็จะคนละทางสองทางแล้วก็ไม่แน่ด้วยเดี่ยวเชือกมัดติดกันไว้ไม่ยังตัดเชือกเี่ <c oughs> ไม่อยู่หรอกอย่างเงี้ยก็ชี้เขาเห็นว่าโทษมันอย่า ง, ง, น, า ง, ง น, นั้นจริงๆก็ เดี๋ยวเขามองว่าคุณ ก, ก, ก็ท่านไม่มีท่านก็พูดยุโยงคนอื่นไม่ใช่เพราะฉะนั้นในหลักในหลกจริงๆคือเป็นท้อจริงก็คือผลไม้ก็คืออย่างนั้นแหละเป็นเหมือนเอาไว้ว่าน้อยใหญ่ทั้งพวงเหมือนเขียงสับเนื้อเป็นที่รองรับของการสรับการโขก อ, อืตรงนี้คำว่าเป็นเขียงเขาสัเขาสับพกโขกแต่บางทีบางทีไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวเนี่ย บางครั้งเนี่ยต้องทนเนะเขาว่าเขาดา่าเขาอะไรต่างๆก็ต้องยอมยอมไปอย่างนี้ใเรายอมยอมนะขนาดไห น, นเหมือนแหลนหลาเหล็กก็ว่าทิ่มแทงเหมือนศีษะงูหน้าระแวงมากพรอมีภัยเฉพาะนะอ่ะถ้าถ้าเราเป็นนอนอยู่แล้วก็เห็นหัวงูก็โผอยู่จะนอนหลับไหม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 ก็คือลูกศรตักอยู่ในใจเลยเขายังนอนหลับกันสบายเลยคาร ว, วาทั้งหลายแล้วคนท่าระยะทั้งหลายที่ท่านถอนลูกศร อ, ออกหมดแล้วแล้วท่านจะนอนไม่หลับได้ยังไงท่านจะมีความสุขท่านจะมีความโล่ง ม, มีความโปร่งมีความเบาต่างกันจริงๆแล้วเขามาพิจารณาดูที่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราถอดล้คขาโทสาวโมหะออกจากใจได้ถามวันนั้นเราจะโปร่งไหมเราจะโล่งไหมเราจะมีความสุขมากหายใจคล่อง ตอนนี้นอนหายใจไม่ค่คล่องสุดเหายใจไม่สะดวกอึดอัดแต่พระอริยะทั้งหลายเนี่ยท่านหาย ใ, ใ, ใจคล่องหมดแล้วนี่เป็นอย่างเงี้ยตรงนี้ก็คือว่าหน้ารแวงเฉพาะหน้าแล้วก็เป็นนิมิตเหตุที่สร้างความเสียหายในทิฏฐาภพแล้วก็ในสัมปรายภพเนีเหมือนกับศีรษะนี่เป็นข้อความในการย่อๆที่ที่ทเป็นในอัจรถยะไม่ช่ไมนิกายที่เอามากล่าวไว้ในมูลปัญธาต์ ในกัมพีปะปัญจสุทนีใช่ไหมส่วนนรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ยก็ต้องไปดูในไหนเดียไปดูในอรักขาทูปมสูตรเนะนะไปดูในนั้นอัตถกถาอารักขาทปมสูตรแล้วก็อกัตถกถาพะพทาสูตรในอังคุตตระนิกายแล้วก็ในปัญจกบิบาทก็ไปดูตรงนั้นนะเนาะทีนี้อีกในหนึ่งในศรีรคันธวัฒนท่านกล่าวเข้าไว้เกี่ยวในเรื่องของอบรรดาทิฏฐิทั้งหลาย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 ในบรรดามิจฉาทิฏฐิทั้งหกสิบสองในสัตว์ที่ยังไม่บรรลุมรรคผลก็ยึดทางสองทางคือทางที่ผิดเขาเรียกมิจฉาทิฏฐิกับทางถูกคือสัมมาทิฐิการเดินทางผิดนะเกิดขึ้นกับคนพานิชยนะเขาเรียกพารูปะเสวนาคือการคบคนพาณินั่นแหละการเดินทางถูกก็คือการคบคนดีมาจากคาว่าสัพพุริสูปะเสวนา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 เป็นมนุษย์เนี่ยใช่ไหมถือว่าถูกมาบ้างแล้วที่ฟังพระธรรมบ้างเนี่ยนะแต่เหลืออีกมีอีกครึ่งนี้ที่ยากที่จะไปบรรลุพระนิพพานเนี่ยนันถ้าหากว่าเราไม่บรรลุพระนิพพานแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้ทีนี้สัพพัญญุตยานเนี่ยเป็นพระคุณที่คู่ควรต่อการสรรเสริญเพราะได้อาศัยสัพพัญญุตยานของพระบรมศาสดานี่แหละ ที่ตรัสบอกทิฏฐิจำแนกทิฏฐิให้กับเหลาสาัตว์ทั้งหลายได้เข้าใจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มในด้านของทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยนะเออในคัมภีร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปฏิจจสมบาทหรือในมัชฌิมานิกายหรือในทีแคณิกายเป็นต้นเหล่านี้ที่ท่านแสดงปัญดาทิฏฐิต่างๆเข้าไว้เยอะแยะเนื้มาาทิฏฐิต่างๆเหล่านั้นท่านก็แยกออกเป็นสิบกลุ่มเห็นไหมเป็นสิบกลุ่ม ในบรรดาสิบกลุ่มต่างๆแล้วนั่นเนี่ยนะก็มีสัตตาวาทะคือสัตติถินี่เป็นสี่จำพวกถ้าเอกัจจะสัตตาวาทะนี่นะเป็นพวกเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบางอย่างเนี่ยสี่จำพวกอันตานันติกาวาทะเนี่ยวาทะที่บางอย่างมีที่สุดบางอย่างไม่มีที่สุดเนี่ยอันนี้สี่จำพวกอาทิตย์เออวิเรอมราวิเทปาวาทะก็คือพวกมีวาทะทัศน์สายประดุจ ด, ดังตาหลาอีกสี่จำพวกอาทิตย์ จ ะ, ปปะออจะสมุปันนาวาทะคืออทิตย์จาสทงปันนาทิฏฐิอันนี้อีกสองสัญญีวาทะวาทะเห็นว่าขาดศูนย์ยี่สิบหกอสัญญีวาทะนี่เห็นว่าไม่ขาดศูนย์เนี่ยนะอันนี้พวกกลุ่มในเรื่องของเ อ, อไม่ใช่สัญญีวาทะนี่ขออภัยนะกลุ่มที่มีสัญญาอสัญญีวาทะคือไม่มีสัญญาเนี่ยอันนี้อีกแปดเนวาสัญญีก็อีกแปดอุเฉทวาทะเห็นว่าขาดศูนย์นีนกลุ่มนี้เจ็ด ทิฏฐธรรมนิพนธ์นี้มีหา้าเรื่องตั้งแต่เห็นกรรมคุณว่าเป็นท่านิพพานเป็นต้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้คือท่านจำแนกบรรณาทิฏฐิทั้งหลายในคัมภีร์ในชั้นของพระไตรปิฎกอัจฉริยและดีกาท่านจำแนกเอาไว้ในอังคุตรนิกายข้อจำแนกพวกอสสาศะททิฏฐิอั ต, ตานุทิฏฐิคือสักยะทิฏฐิแล้วก็มิจฉาทิฏฐิเ้าไว้ที่จะนำมาเกา่าเพราะในด้านของอังคุตระนิกายเนี่ยจำแนกประเภทของปุบ ปกเพกะตะเหตุทิฏฐิอิสาระมีมานะทิฏฐิแล้วก็เหตุกราปจียาทิฏฐิเนี่ยอันนี้ก็กล่าวก็ไว้ซึ่ ง, ซ, งซึ่งตรงนี้ก็จะมากล่าวไว้สักเล็กน้อยในคำพีธรรมสังคณีในศีรปรามาส พ, พวกวัต์ปรามมาสทิฏฐิศีรปตาปรามาสะทิฏฐิเนี่ยกลุ่มนี้ต่างๆก็จะถ้ามีเวลาจะมากล่าวเนี่ยในรายละเอียดตรงเนี้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็คือว่าท่านในพรหมชาลสูตรกล่าวไว้แล้วในทีกนิกายเนี่ย จะไม่นํามากล่าวอีกจะเพียงแต่พาดพิงบ้างอะไรบ้างเพให้เกิดความเข้าใจนะอันนั้นก็คือจะจะจำแนกในสิ่งต่างๆที่จะนํามากล่าวให้เราท่านทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจแล้วก็ศึกษาในเรื่องของมิจฉาทิฏฐิเข้าไว้ได้เห็นสัพพัญุตยานของพระเจ้าในคุณของพระเจ้านี่แหละแต่จะได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยเรามาศึกษาในเรื่องของทิฏฐิต่างๆนี้เขาไว้แล้วก็จําแนกเกี่ยวในเรื่องของทิฏฐิบางชนิดสามารถ ทำให้ได้วิปัสสนาได้ด้วยเพราะปัจจะยาปริหายานก็กําจัดพวกทิฏฐิกลุ่มต่างๆเหล่าเนี้ยนะพวกพวกหิรุการทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยเออพวกกลุ่มที่ไม่ใช่อุการทิฏฐิกลุ่มที่ยังไม่ยังยังไม่ชัดเจนในเรื่องของพวกเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องมาศึกษาทีนี้ในกคำพีมีมิจฉาทิฏฐิประมาณสามสิบสี่ทิฏฐิที่เก่าเป็นมิจฉาทิฏฐิที่พุทธองค์ไม่ได้ทรง นามาแสดงไว้ในพรหมชาลสูตรนะแต่อยู่ในที่ที่โดยทั่วไปโดยเฉพาะในชั้นของคัมภี์สันสกฤตเนี่ยก็จะกล่าวบรรดาทิฏฐิเขไว้อเยอะเช่นพวกลัทธิบูชายันเนี่ยพวกโลหิตะโลหิติกาเอยพวกนี้เป็นลัทธินะลัทธิคือทิฏฐิเนี่ยลัทธิบูชายันลัทธิโดยการอยู่ประพฤติพมแต่ในกระท่อมเนี่ยลัทธิว่าโดยการรอยบาปสู่แม่น้ำลัทธิว่าโดยการหลุดพ้นพบจากพบนี้ไปสู่พรหมโลกลัทธิว่าโดยการหลุดพ้นในพบชาติปัจจุบัน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 แล้วก็จะสามารถแยกแยะเกี่ยวในดำดาของทิฐิต่างๆเป็นต้นเหล่านั้นได้ประเด็นต่อมาก็คือว่าเคยกล่าวไว้ทีหนึ่งแล้วในางเนี้ยในทีขนณกายจะไม่นำมากล่าวอีกแต่ก็ามาเชีห้เห็นเกี่ยวในเรื่องของบรรดาทิฏฐิทั้งหลายคือในบรรดาพวก บรรดาครูทั้งหกเนี่ยแต่จะกล่าวย่อๆนะเพราะในรายละเอียดนั้นไปกล่าวไว้ก็ไปหาดูในในรายละเอียดที่ได้บรรยายไปแล้วตรงนี้ก็จะกล่าวแบบย่อๆย่อๆก็คือโดยใจความก็คือเกี่ยวในเรื่องของบรรดาลทัทพีเริ่มตั้งแต่ลทัทพีปุรนาคัสปามัคคีโคสาละอจิตาเกสกัมบนนุลเลยนะบอกปกุฏา迦จยณะนิคนนาตะบุตรแล้วก็สัญชัยเวรับุตร แต่บรรดาครูทั้งหกเนี่ยนะว่ากรณีที่เขามีความเห็นต่างๆอย่างไรเป็นต้นนะสรุปออกมาก็แล้วแต่ก็แล้วกันนะสรุปบอกว่ารัฐรัฐที่ของรรปุรณะกสปะเนี่ยมีความเห็นยังไงมีความเห็นว่าการกระทําดีกระทําชั่วเนี่ยไม่เรียกว่าทําดีทำชั่วไม่เรียกว่าบุญไม่เรียกว่าบาปไม่เรียกว่ากุศลหรืกุศลอัตถาเขาจัดลัที่นี้ว่าเป็นอัคคริยทิฏฐิอกคริยทิฏฐิผ้าอัตถะอาจารย์ท่านจัดอย่างนั้นเป็นทิฏฐิที่เอ่อ ปฏิเสธการกระทําว่ากายกรรมบัญญัตกรรมโนกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันไม่เรียกบุญไม่เรียกบาปนี่เขาเรียกอักกิริยทิฏฐินี่ปฏิเสธการกระทําเลยนี่คือของปุรณกัสปะถ้ามัคคัลยโคสาละเห็นว่าไม่มีเหตุปัจจัยที่ทําให้สัตว์บริสุทธิ์เจ้าหมองว่างั้นนะบอกว่าเออสัตว์ที่จะได้รับความสุขความทุกข์หรือสัตว์จะหลุดพ้นเนี่ยทุกอย่างเป็นไปเองทุกอย่างเป็นไปเองเนี่ยเพอิญจํา จำจำสังสารวัตรของลัทฐีนี้ไม่ได้ลัฐีเนี้ยอไปอยู่อีกคัมภีหนึ่งเนาะท่านมีความเห็นบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อเวียนว่าตายเกิดไปเรื่อยๆกระแสขันธาตุอายตนะของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆเหอะเมื่อหมุนหมุนหมุนมุมไปเรื่อยๆด้วยนะเกิดดับเกิด ด, ดับไปเรื่อยๆในสังสารวัตรเนี่ยพอครบกี่กลับกี่หมืน่นกี่พันกี่แปดหมืนนีนะกี่กลับก็ไม่รู้ อามาจําตรงนั้นไม่ได้แต่พอครบจํานวนเขาปุ๊บเนี่ยเขาจะบริสุทธิ์เองอันนี้เป็นกลุ่มสังสารสุทธิจะบริสุทธิ์ด้วยการได้สังสารวัตรก็หมายความว่าไม่ต้องไปทําอะไรหรอกปล่อยเป็ตัวดับเกิดดับไปเรื่อยๆเดี๋ยวในที่สุดจริงก็บริสุทธิ์เองคิดอย่างนี้มันก็ะสะดวกดีมีคนคิดเอมีคนในศา ส, สนาเราเนี่ยคิดแบบนี้หลายๆท่านเคยฟังผ่านหูมาเลยเนี่ยก็บอกว่าอุตส่าทุกคนบรรลุกันหมดแหละ ไม่ต้องไปเพียนพยายามอะไรหรอกว่าไงเป็นปนักบวช ด, ด้วยนะเป็นพระด้วยเนี่ยก็มีความเห็นอย่างนี้ก็มีไม่ต้องไปเพียนพยายามอะไรเราก็จะทําอะไรก็ทําไปแต่เราเห็นว่าอะเรามาบวชทําไมผมเห็นว่าผมชอบทําความดีวะ่ะผมก็มาบวชอะก็คือแต่ว่าทุกคนเน่ะไม่ว่าจะชั่วไม่ว่าจะแรงรต่างทุกคนเดี๋ยวก็หลุดพ้นหมดก็อย่างเงี้ยเนี่ยมันสอดคล้องเราเคยเห็นแบบนี้มาแบบ นิดๆหน่นนนอยแล้วแต่มันยังไม่ถล่มลึกแล้ว อ, อ, อย่าอย่าอย่าชะล่าใจเนี่ยความเห็นอันนี้นไปเสริมต่อขึ้นมาไปได้ปัจจัยอีกโอ้แต่นี้ไปแน่นเลยแต่นี้ต้องระวังไว้ไอความเห็นประเภทเนี้ยมันทําให้เสียหายอันนี้คือรัติของมคคิริโคสาระอัตถกถาจัดว่าเป็นอาเหตุกขทิถิเขาเรียกสังสารรสสดทิจะ บ, บริสุทธิ์เองน่ากลัวไหมบริสุทธิ์เองใช่ไหมน่ากลัวว่ามันจะไปเข้าใจจะ บ, บริสุทธิ์เองเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็บริสุทธิ์เอง เกิดไปื่อยๆแล้วก็บริสุทธิ์เองโห<ฮ>ไม่น่าจะคิดได้ใช่ไหมเขาคิดอย่างนี้ได้แต่ก็อีกกลุ่มหนึ่งอชิต่าแกษกัมพลอันนี้เขาจะใช้ผมคนมานุ่งกัมพลเนี่ยคือผมคนหนึ่งเ อ, เอาเอาเอาผมมานุ่งรัตที่นี้ตายแล้วขาดศูนย์ทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลเป็นต้น ตรงนี้ยเดี๋ยวไปกล่าวนัดไอ้เกี่ยวกับเรื่องของอนัดทิ่ทีนังนดัดทียึดังนัดทีหูตังเป็นต้นเดี๋ยวก็จะไปนําไปกล่าวตรงนี้และจะแยกรายละเอียดให้และจะได้เชื่อมโยงในมหาจตา ร, รีสกัดสูตรให้ชัดขึ้นนะจะได้กล่าวตรงนี้ให้ชัดขึ้นไอ้ถึงนี้ก็โอ้คงนาะนเรื่องยาวาตั้งเรื่องอย่างเงี้ยนะก็จะได้ศึกษารายละเอียดก็จะได้รู้จักตัวตนของวิจฉาทิฏฐทั้งหลายและจะได้เห็นโทษจริงนะ การเส้นสวงเป็นต่างๆแล้วเนี้ย่ยผลของวิบากกรรมดีกรรมชั่วไม่มีโลกนี่ไม่มีโรคหน้าไม่มีหญิงบิดาไม่มีคุณมารดาไม่มีคุณสัตว์ที่เอผุดเกิดขึ้นเนี่ยนะปฏิสนธิอ่ะพวกนี้ปฏิเสธกรรมที่ทําปฏิสนธิด้หลักคือตรงนีน้ไม่ใช่เป็นปฏิเสธโอปรบาดิกะ อ, อย่างเดียวเท่านั้นกําเนิดทุกกาเนิดปฏิเสธหมดที่พอไปแปลบอกว่าสัตว์ที่เกิดผุดโตขึ้นโอปรบาติกาเนี่ยอันนี้ก็ยุ่งเลย สัณฑาพรามผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทําให้แจ้งในโลกในโลกหน้าเดินปัญญาญยิ่งแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามนี่นะอันนี้ก็ปฏิเสธทีนี้มนุษย์เนี่ยในในรัฐที่นี้บอกว่ามนุษย์เนี่ยประกอบด้วยดินน้ําไฟลมเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วดินน้ําดินไปสู่ดินน้ําไปสู่น้ําไฟไปสู่ไฟลมก็ไปสู่ลมก็เห็นไหมเวลาก็จะเผาศพเป็นประกาศรัที่นี้บ่อยดินไปสู่ดินน้ําไปสู่น้ําไฟไปสู่ไฟแล้วก็ลมไ ป, ไปสู่ลม คืออินทรีย์ทั้งหลายก็ย่อมผันแปรไปตามอากาศไม่มีอะไรเหลือนี่แหละจะนั้นเป็นนักติกาทิถีอาาถัตถะฐาทตัณฑ์ถว่าเป็นนักติกาทิถีเห็นว่าไม่มีหมดเลยใช่ไหมเอามนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมาก็มาจากดินน้ำไฟลมดินก็ไปสู่ดินใช่ไหมน้าก็ไปสู่น้ําช่ไหมไฟก็ไปสู่ไฟลมก็ไปสู่ลมอินทรีย์ทั้งหลายก็ไปแตกสลายไปในอากาศแล้วมีอะไรไปเกิดไม่มีนี่นักติกาทิถิ อัตถกาถาจะเป็นนัตถิกาทิฐิเห็นว่าไม่มีนั้นบาปมีไหมอย่างเงี้ยแบุญก็ไม่มีใช่ไหมผู้ทําบุญก็ไม่มีผู้รับผลบุญบุญก็ไม่มีคนทําบาปก็มีมีคนรับผลบาปก็ไม่มีความมีอย่านี้น่ากลัวไหมเห็นไหมว่าฟังแน่นในกระแสขันของสัตว์ประเภทนี้ไปแล้วแล้วก็ออกไม่ได้คือถ้าไปเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเหมือนกับไปถูกล็อกแบบวันอย่างหนานแน่นแล้วนะ แล้วก็ออกจากความเห็นตรงนี้ไม่ได้ น, นี่นี่นี่กลุ่มหนึ่งทีนี้ในบรรดาในอัตถกถาสามัญผลสุดท่านกม็มาอธิบายถึงทิฏฐิสามข้างต้นนี่บอกว่าในบรรดาครูทั้งหกนี่นะปุรณากาัสปะเนี่ยเมื่อทำบาปก็ไม่เป็นอันธรรมชื่อว่าปฏิเสธอะไรปฏิเสธกรรมคือเจตนากรรมอชิตตาเกศกัมพลเนี่ยเห็นบอกว่ากายแตกสัตว์ก็ขาดศูย์อันนี้ปฏิเสธี่บาศ ปฏิเสธวิบากมัคคิริโคสาละบอกไม่มีเหตุนี่ปฏิเสธกรรมแล้วก็วิบากทั้งสองในรัตที่เหล่านี้เมื่อปฏิเสธกรรมเชื่อปฏิเสธวิบากด้วยไหมปฏิเสธวิบากด้วยเมื่อปฏิเสธวิบากเชื่อว่าปฏิเสธกรรมด้วยใช่ไหมปฏิเสธกรรมด้วยดังนั้นลัที่แม้ทั้งหมดนั้นน่ะว่าโดยอัฏฐาแล้วก็คือปฏิเสธทั้งกรรมและวิบากของกรรมไป็นต้นได้อัฏฐาก็คือตรงนั้นแหละแต่ว่าใจมองมุมไหน มองมุมเหตุหรือมองมุมมุมผลปฏิเสธตัวเหตุหรือปฏิเสธตัวผลลัตทีเหล่านี้จึงเป็นอกคคียทิฏฐิด้วยเป็นอเหตยทุกขาทิฏฐิด้วยแล้วก็เป็นนัตถิกาทิฏฐิด้วยเช่นในบรดานี้เนื้ตามิฉาทิฏฐิทั้งสาประการนั้นเน่ยบางคนก็ดิ่งสู่ทัศนะเดียวบางคนก็สองทัศนะบางคนก็สามทัศนะนะก็ก็ไปแยกแยะตัวนี้ต้องไปเจาะให้ให้เห็นว่าทัศนะที่เขาเห็นเนี่ยเมื่อดิ่งลงไปในทัศนะเดียว ก็ดีหรือสองสามทัศนะก็ดีเป็นนี้ต่มิฉาทิฏฐิทั้งนั้นอันนี้ถือว่าห้ามสวรรค์ด้วยแล้วก็มิพานไม่ต้องพูดถึงห้ามทางไป บ, บ, บ, บรรลุพรนิพพานเลยเพราะว่าใครไม่สามารถที่จะสอนสัตว์เหล่านี้ให้บรรลุได้ <c oughs> ก็พระบรมศาสดายังต้องเว้นบุคคลเหล่านี้และเราจะไปเกี่ยวข้องได้อย่างไรถ้าเราไปเกี่ยวข้องก็เป็นโทษโดยส่วนเดียวไม่ใช่ฐานะถ้าเราเจอคนประเภทนี้เดินหนีโดยส่วนเดียวอย่าไปเกี่ยวข้องด้วยอย่าไปเสพคุณด้วย ถ้าไปเสพคุณด้วยมันจะเป็นโทษแกเรานัเข้านักเข้ารีการให้เราเป็น ด, ดีพอใจเพราะพระเจ้ายังไม่เหลียวมองเลยใช่ไหมไม่เหลียวมองเลยคือไม่รู้จะช่วยอย่างไรอันนี้เขาเรียกว่าคือชื่อว่าเป็นตอแห่งวัตะเป็นผู้เฝ้าแผ่นดินคนมีมิจฉาทิฏฐิเห็นตาเนี่ยออกจากภพไม่ได้ออกจากสังสารวัฏไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้ เหตุนั้นบัณฑิตผู้เห็นประจักษ์นี่นะหรือบุคคลที่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนเห็นชัดแล้วถ้าปราถนาความเจริญนะให้เว้นปุถุชนที่ไม่ได้ไม่ใช่กัญยาณนะปุถุชนใน ห, ห่างไกลเสีแล้วก็เหมือนกับการเว้นจากหัวของมูเห่าเนี่อย่างนั้นแหละเว้นจากงูเห่าฉะนั้นในในคําสอนโดยเฉพาะในพระไตรปิฎก เ, เล่มที่สิบเอ็ด เกสบเอ็ดเล่มนี้ยฉบับของมหากุตเนี่ ย, ยท่านจะกล่าวไว้ยี่เลยบอกว่าโอ้ถ้าเป็นบัณฑิตนะปรารถนาความจรงิงปรารถนาความเจริญนะเว้นปุถุชนเว้นอันท้าปุถุชนประเภทนี้เสียแล้วก็ให้เข้าหากิริยาในปุถุชนว่างั้นเข้าหากิริยาปุถุชนถ้าเห็นบุคคลประเภทอย่างนี้หรือมีมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้ก็เหมือนกับงูเลยว่างั้นนะบอกให้เว้นเลยเห็นงูเลยว่างั้นเดี๋ยวประการต่อมาคือรัตที่ปกขุทากระจายนะ นี่ก็เห็นเห็นสภาวะอยู่เจ็ดกองนะเห็นกองของดินของน้ําของไฟของลมสี่กองแล้วใช่ไหมเห็นสุขอีกกองหนึ่งเห็นทุกอีกกองหนึ่งแล้วก็เห็นชีวะอีกกองนึงรวมเป็นเจดกองนี่นะเราเนี้ยไม่มีใครทําได้เป็นสภาพที่เที่ยงแท้ยั่งยืนเหมือนภูเขาเลยดึกภูเขาเลยเนี่ยก็หมายความว่าหยูยตั้งมั่นมั่นคงไม่หวัว่นไหวไม่แปรปลุปนไม่อาจจะให้เกิดสุขและทุกข์แก่กันและกันได้รับที่นี้จึงเห็นว่าผู้ฆ่ายังก็ดี หรือผู้ใช้คนอื่นค่าก็ดีเป็นต้นเนี่ยไม่มีสภาวะไม่มีสภาวะเจ็ดกองนั้นเพราะว่าบุคคลเนี่ยอาศัยตรตราอย่างคมกริบเนี่ยตัดศีรษากันเนี่ยก็ไม่ชื่อว่าใครเป็นคนปองชีวิตของกันและกันนะเช่นเอมีดไปตัดนี่นะไปสอดเข้าไปเนี่ยก็ไปตามช่องแห่งสภาวะเจ็ดกองนี้เท่านั้นก็คือไม่สามารถจะไปฟันถูกดินน้ำปลาลมแล้วก็สุขทุกข์แล้วก็ตัวชีวะได้ทีนี้เล็กมากไอตัวชีว์ไอไอตัวดินน้ำปลาลม แล้วก็สุขทุกข์แลตัวชีวะเจ็ดเล็กๆเนี่ยเป็นอนูเล็กๆเนี่ยฟันไม่ถูกแทงไม่ถูกยิงไม่ถูกฉะนั้นเราจะสอดมีดดาบเข้าไปสัตว์ราวุธเข้าไปเนี่ยก็ไม่ถูกเลยก็เหมือนไปแยกธาตุออกจากกันเท่านั้นเองเห็นไหมเขาวิจัยจะละเอียดมันก็จะมีตัวอนอุูเล็กๆที่สุดอย่างเงี้ยปรมาณูที่เล็กที่สุดตัวนี้อยู่แ้นตัวนี้เป็นสภาวะเจ็ดกองเท่านั้นรัตน์นี่นจัดเป็นเนื้อตาวิชาทิฏฐิ ท, ทั้งสามเลย เป็นทั้งอัคคีญาติติเป็นทั้งนัตติกาติติเป็นทั้งอเหตุกาติติเช่นเดียวกับลัทธิดังที่ได้กล่าวเนี่ยพวกลัทธิของปักุท ธ, ธขนะขจายันนะมีความเห็นแบบนี้น่ากลัวไหมเนี่ยลัทธิพวกเนี้นะลัทธิอีกลัทธิหนึ่งคือนิคร น, นาตบุตรนี่มาแล้วนี่นทุกวันยังมีเหลืออยู่มีประชากรในอินเดียประมาณหกล้านคนเขว่างั้นเขาว่างั้นแต่แต่ตอนที่ไปอินเดียนะเห็นก็พูดว่าอย่างงั้ ก็ไมเคยไปนั่งนับว่าเท่านั้นจริงหรือเปล่าแต่เขาบอกว่ามีอย่างนั้นเลยมีสองนิกายนิกายสเสวตําพรกับที่กําพรแบบนิกายที่นุ่งลมผมฟ้ากับการนุ่งผ้าสีขาวๆเนี่ยอมีผ้าขาวๆคลุมๆนี่ก็นิกคร น, นาจบุตรอันนี้ถือการทรมานตนในนี้เผากิเลสย่างกิเลสอัตถกถาจัดลทัทธินี้อยู่ในประเภทอัตตกิริามัานโยกใช่ไหมเวลาศึกษาธรรมาจาักรกับปวัติในสูตรเนี่ยพวกนี้จัดว่เป็นนักบวต เป็นนักบวชเป็นบรรพชิตเป็นพวกที่ไม่เกี่ยวข้องในกนารมคุณนแล้วแต่เห็นผิดเป็นอัตตกิรมฐานุโยคคือทรมารร่างกายตนเองแล้วก็ถือว่าเป็นการย่างกิเลสทําให้กิเลสให้หมดแล้วก็เป็นลทัทธิที่ชดใช้กรรมเพราว่าคื อ, ค, อคือถือว่าตนเองกรรมทั้งหลายที่ตนเองทํามานั้นทรมานไม่หมดเสียในส่วนจริงว่าพอพอวิบากหมดกรรมหมดละเวทนาก็หมด เมื่อเวทนาหมดก็สิ้นเวทนาก็สิ้นทุกคือหมดเขาทําลายในเวทนาสูงสุดหมดเมื่อไหร่เวทนาสิ้นก็สิ้นทุกเมื่อสิ้นทุกก็สิ้นกรรมก็สิ้นจากสังสารวัฏนี่เขาก็คิดวังเขาพ้นทุกได้อันนี้เป็นเป็นอย่างนั้นนันก็ทรมานไปนะเอาเวทนาที่เจ็บปวดเลยเลยเขาทนเนี่ยก็คือคือว่าเขทรมานเพราะไอ้สิ้นเวทนาเนี่ยเอเมื่อไอ้สิ้นกรรมนะก็หมายความว่าเขาใช้กรรมไป แล้วก็เพื่อจะทรามานนะครจนถึงสิ้นเวทนาพอสิ้นเวทนาก็สิ้นสิ้นทุกเมื่อสิ้นทุกก็ออกจากสังสารวัฏได้แล้วเพราะงั้นนะพระเจ้ายังไปถามเลยบอกว่าไปถามนิครณไม่เคยไปถามเออถ้าถามทําไมไม่พระเจ้ากับศาสดาของบรรดาศาสต า, าทั้งหกเนี่ยไม่เคยเจอพระเจ้าเลยเนี่ยไม่เจอมีเจอไจอด้ลูกน้องเพออราะ อ, อะไรอ้าเพราะอะไรอ้าเนีเพราะ อกุศลกรรมที่ตนเองทํามาเป็นศาสดาตามเหล่านั้นเลยเป็นเหตุทําให้กั้นไม่เจอศาสดาเหมือนกันคือไม่เจอศาสดาที่ถูกเพราะตนเองไปตั้งจิตปรารถนาจะเป็นศาสดาที่เป็นประเภทอย่างเนี้นั้นไอ้ตัวกรรมที่ตนเองกระทาไว้ที่รุนแรงมากเลยเป็นตัวกั้นทําให้ไม่ได้พบเจอพระพุทธเจ้าเลยก็มีแต่ลูกศิลุกห้าที่เชื่อแรงจางแล้วก็ไปสละละทิอันดาพอได้ที่ยังไม่รุนแรงทั้งหลายนี่แหละก็ไปนันดา ฉะนั้นอย่าป่าเถราเป็นศาสดาอย่าขาดถ้าอย่างนั้นจะไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าเลยนี่นะตรงนี้ละทีตรงนี้เคลสนิคร่นหน้าตบุตรอีกลทัทีหนึ่งก็คือสัญชัยเวรัตถบุตรหลีกเลี่ยงไม่ตอบปัญหาที่ได้กล่าวไปนะอัตถกถาจัดละทีนี้อยู่ในประเภทอมราวิเขปะทิฏฐิอมราวิเขปาทิฏฐิก็คือเป็นทิฏฐิประเภทที่บอกว่าปฏิเสธปฏิเสธ การปฏิเสธในบรรดาลัทธิต่างๆเหล่านี้ยในกรณีที่เขาปฏิเสธนี่นะอยกตัวยอย่างอย่างนี้หนึ่งเขาเรียกวา่าธาเขาเรียกอมรอมาราวิเขปาทะวาทะวาทะที่มีการสั้สายไม่ตายตัวสี่ประเภทอย่างเช่นว่าเขาเกรงว่าจะพูดเท็จก็เลยปฏิเสธว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่นี่นะเขาปฏิเสธนี่นะ แล้วก็ปฏิเสธต่อไปว่าอย่างนั้นก็ไม่ใช่แต่อย่างนี้ใช่ไหมบอกไม่ใช่อย่างนั้นเระบอกอย่างนั้นก็ไม่ใช่แล้วอย่างอื่นนะบอกอย่างอื่นก็ไม่ใช่นี่ปฏิเสธสามครั้งเลยนะไม่ใช่ก็ไม่ใช่อันนี้ปฏิเสธไม่ใช่ทีนะมีใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่นี่ปฏิเสธลักษณะเนี้ยเองว่าจะยึดถือก็ปฏิเสธแบบที่หนึ่งแล้วเกรงว่าจะถูกซักถามก็ปฏิเสธอีกแบบหนึ่ง เพราะไม่รู้จริงก็ปฏิเสธอีกแบบหนึ่งเพราะไม่ยอมรับหรือยืนยันอะไรเลยนะเนี่ยลัทธิอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นอม ร, ราวิเีปะวาทะนี่เป็นของสัญชัยเว ร, ระบุทธนี่ก็เรียกว่าท่าหลบเลี่ยงไม่ตายตัวอันนี้ก็ไปศึกษาอย่างนี้ในบรรดาปุรณากาะกัสปามคคริโคสาปุขปะปักกุฏากาจายยนะนี่คนหน้าจะบุตรเป็นศัสตาิฐิก็ได้หรือ เกี่ยวในเรื่องของตาเทียบนะอาชิตาเกศสกมพลก็เป็นอุเฉติทิธีและที่เขาครูทั้งหกเนี่ยสนใจัยเวรัก็บุญเป็นอมราวิถีปะวาทะไม่แน่นอนฉะนั้นตรงนี้ก็คือพอเราจับประเด็นของบรรดาทิฐิต่างๆเหล่านี้ได้แล้วก็เกี่ยวในเรื่องของมาทําความเข้าใจเกี่ยวในเรื่องของคําสอนทีนี้ในคําสอนที่เรามาศึกษากันตรงนี้ก็คือว่า เกี่ยวกับในเรื่องโเอนเวลานิดนึงนี่เนี่ยตรงนี้เดี๋ยวยังเปรียบเทียบตรงนี้ให้ดูชักนิดนึงนะก่อนจะหมดเวลาเนเปรียบเทียบก็คือพูดถึงในเรื่องของบรรดาวิชาทิฏฐิเหมือนสรุปก่อนแล้วก็ค่อยมาตามรายละเอียดกันอีกทีคือสรุปตรงนี้เขาไว้เพราะว่าจะได้เข้าใจเออเข้าใจเกี่ยวเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเอเขาเรียกนิยตะเออเข้าไป เก่ยงในเรื่องของอัตตาทิฏฐิอัตตาทิฏฐิก็คือสักกายะทิฏฐิที่ไปเห็นว่าด้วยความเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาถ้าอย่างเราท่านทั้งหลายก็เรียกสักกายะทิฏฐิที่มีวัตถุ20เนี่ยนะถามว่าสักกายะทิฏฐิที่มีวัตถุ20เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเขาไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นซึ่งทามอื่นแม้ข้อหนึ่งอันเป็นเหตุใช่ไหมอันเป็นเหตุให้ สัสตว์ทั้งหลายผู้มีความตายเป็นเบื้องหน้าและว่ากายแตกกายทําลายไปย่อมเข้าถึงทุคติวิบัตินรกเหมือนอย่างมิจฉาทิฐินี่เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัสตว์ทั้งหลายผู้ประกอบไปด้วยมิจฉาทิฐิผู้มีความตายเป็นสภาพผู้มีความตายเป็นไปในเบื้องหน้าเนี่ยเพราะความแตกแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุคติวิบัตินรกดังนี้ฉะนั้นมิจฉาทิถีถามว่ามิจฉาทิถีอะไรกั้นอะไร บอกในบรรดามิจฉาทิฏฐิบางอย่างเป็นเครื่องกั้นสวรรค์ด้วยเป็นเครื่องกั้นมรดุด้วยบางอย่างเป็นเครื่องกั้นมรด์เท่านั้นไม่เป็นเครื่องกั้นสวรรค์บางอย่างไม่เป็นเครื่องกั้นสวรรค์ไม่เป็นเครื่องกั้นมรด์แน่แท้บรรดาบรรดาทิฏฐิต่างๆมิจฉาทิฏฐิก็คือเหตยุกขทิฏฐิอัคริยาทิฏฐินาติกาทิฏฐิย่อมเป็นเครื่องกั้นสวรรค์ด้วยมีโทษมากด้วยเป็นกรรมบทด้วยเป็นเครื่องกั้นมรดุด้วยอันนี้ท่านกล่าวไว้ชัดเจนอย่างเนี้นะแต่พวกอันตะ ทาหิกะมิจฉาทิฏฐิสิประการสัสโตโรเยโลกเที่ยงใช่ไหมเป็นเครื่องกั้นมัชเพราะความเป็นวีปริตาทัศนะเป็นทัศนะที่กั้นสวรรค์ด้วยเออเขาบอกทัศนะนี้บางไม่การสวรรค์ที่วางนั้นไม่การสวรรค์เพราะไม่ถึงกรรมบททีนี้สักยัติทิสัต ส, สักยทติฐิที่มีวัตถุยี่สิบ ย่อมเป็นเครื่องกั้นสวรรค์ไม่เป็นเครื่อง ก, กั้นมรรคทิศแน่เทียวทีนี้อันนี้ก็ขยะอีกในหนึ่งนะเดี๋ยวจะเชื่ดูแต่ปฏิเสธซึ่งมีวิธีดังกล่าวนั้นอัจฉริยท่านบอกว่ า, างั้นวิธีดังกล่าวนั้นเชื่อว่าทิศถิโดยที่สุดแล้วแม้สักยะทิฐิเห็นว่ารูปเป็นเราเราเป็นรูปรูปอยู่ในเราเราอยู่ในรูปนะหรือว่า เนี่ยการเห็นเป็นทิฏฐิต่างๆที่เห็นว่าเวสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาทั้งมีวัตถุยี่สิบเอาขันห้าไปคูณสี่เนี่ยเป็นยี่สิบนี่ยี่สิบประการในชื่อว่าสามารถเพื่อจะนำไปสู่สวรรค์ย่อมไม่มี9าคือย่อมยังสัตว์ให้จมลงในโลกโดยส่วนเดียวเท่านั้นเพราะในวัจนธ า, าโดยพระวจนะในปัะสูรมิจฉาทิฏฐยาพิกขเวสมา น, นาคตาดูก่อนพิกษูทั้งหลาย ศาตว์ผู้ประกอบไปด้วยมิจฉาทิฏฐิจริงทีเดียวเหมือนอย่างว่าก้อนกรวดเหมือนก้อนกรวดแม้ขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวเท่าถั่วราชมาศก็เห็นถั่วราชมาศไหยเป็นยังไงไม่เห็นนะเอาเอาถั่วเขียวก็แล้วกันเอาเม็ดหินเนี่ยนะเท่าเม็ดถั่วเขียวโยนลงน้ําอี่ยจมลอยลอยจมโดยส่วนเดียวชั้นใด ฉะนั้นกรณีที่มิจฉาทิฏฐิถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยแล้วเกิดขึ้นในกระแสขันของท่านบูไดแล้วที่จะให้สวรรค์เป็นไม่มีลงนาลกโดยส่วนเดียวนี่พุทธพจน์ทีนี้ตรงนี้ทำไมพระอธิกาาจารย์บางที่บางแห่งยึงบอกว่าพูดให้หายใจโล่งๆกันหน่อยเนี่ยน ะ, ะทำไมถึงบอกว่าเออทาไมถึงบอกว่ามิจฉาทิฏฐิบางอย่างไม่กั้นสวรรค์กั้นแต่มารกเท่านั้นแต่มารกไม่กั้นแน่นอนนะ ถ้ามีมิจฉาทิฏฐิไปขึ้นชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิกั้นสวรรค์จริงๆและลงนรกโดยส่วนเดียวจริงๆยกตัวอย่างเช่นในขณะใกล้าตายแล้วเกิดโลภะเพราะมิจฉาทิฏฐิมันก็เกิดเป็นปกติของชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมแต่พอใกลจ้จะตายโลภะไปเกิดในขณะนั้นถามว่าจะไปสวรรค์ได้ไหมนั่นแหละท่านถึงบอกว่าอย่าให้เกิดนะ เกิดแล้วก็ไปในรกโดยส่วนเดียวจริงๆแต่ถ้าหากว่าเกิก่อนก่อนหน้านั้นพอใกล้จะตายจริงเป็นกุศลชาวนาเกิดมันหลุดไงตัวตัวมิจฉาทิถิมันหลุดจากกระแสใจในขณะนั้นทั้งๆ ท, ที่มันยังละอะไรไม่ได้หรอกแต่พอดีเนี่ยตัวกุศลชาวนามาเกิดทํากิจก็กุศลกรรมก็ได้จังหวะได้โอกาสที่เคยทําไว้ก็ให้วิบากเปนดีก็เลยผลิตปฏิสนธิให้ด้วยการมีชาวนาที่เป็นกุศลชวนะเนื้อเยิ่ดหน่วงเอาใช่ไหมก็เลยได้ คราบรรดากรรมมะอารมณ์กรร ม, มนิมิตอารมณ์หรือกตินิมิตอารมณที่มาปรากฏในบ ร, รณาสนัการนั้นชาวนะที่ปรากฏในบ ร, รณาสนัการนั้นเป็นกุศลชาวนาพาะพอเป็นกุศลชาวนะเสียก็มิฉ า, าทิฏฐิอย่างเล็กน้อยก็จริงอยู่ก็หลุดจากกระแสจิตในขณะหนึ่งในขณะนั้นชื่อว่าไม่กัน้นที่อัตาราจารย์ท่านบอกไม่กัน้นหมายถึงไม่กั้นอย่างนี้ไม่กั้นสวรรค์แต่จัะไปค้านพุทธพจน์ไม่ได้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 แต่ต้องเาปัญญาไปเข้าใจนะอย่าไปเอามิจฉาทิฏฐิไปเข้าใจมิจฉาทิฏฐิเพราะมิจฉาทิฏฐิเขาเข้าใจมิจฉาทิฏฐิได้นะคือเขาเข้าใจว่าเออเนี่ยความเห็นอย่างเงี้ยเป็นสัตว์เป็นบุคคลยังเห็นอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ทั้งนั้นอปัปกุทากัจจานะนิคนนาตะบุตรใช่ไหมสัญชัยเวลเก็บุตรเป็นต้นเหล่าเนี้ยเขาเห็นเป็นสัตว์บุคคลที่ไหนแล้วเห็นเป็นดินน้ำไฟลมเนี่ยการเห็นเป็นดินน้ำไฟลมเนี่ยไม่ใช่ปัญญาเห็นแต่มิจฉาทิฏฐิไปเห็น เห็นไหมก็เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นชีวะไอเจ็ดกองเนี่ยข้าไม่ตายเนี่ยมันก็ปัญญาเออมันก็มิจฉาทิฏฐิไปเห็นได้หรือบางกลุ่มเห็นว่าดินน้ําไฟลมดินไปสู่ดินน้ําไปสู่น้ำไฟ ไ, ไปสู่ไฟลมไปสู่ลมอินทรีย์ทั้งหลายก็กระจายไปตามอากาศอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญญาเห็นแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นอย่าไปคิดว่าตัวมิจฉาทิฏฐินั้นไม่รู้จักปรามาัตุขเขาเข้าใจปรามัตุขลึกกว่าที่เราเข้าใจจะแล้ว เราจะได้ตั้งวรระวังว่าจริงๆแล้วเนี่ยว่าเราไปเดินเจริญวิปั ส, สนาเนี่ยมันเป็นปัญญาจริงไหมเนื่เป็นมิจฉาทิฏฐิไปเห็นเข้าใจอย่างตันเนี้ย<ม>อ่านี่สอคนแก่เวลานี้นะก็เดี๋ยวก็ได้แผ่ส่วนกุศลกันตรงนี้พอจะเข้าใจในนี้คือกลุ่มของมิจฉาทิฏฐิทั้งหลาดว่าเข้าใจมิจฉาทิฏฐิตรงนี้จะตนี้ก็ น, กนี่ก็สะดวกแล้ว ควเข้าใจมากขึ้นถ้าต่อไปจะได้ไปแยกแยะไปแยกแยะรายระเอียดจริงๆก็เออเวลาไปเจริญกรรมฐานเงินก็ดีความว่าทำก็ดีใช่ไหมแสดงทมหรือว่าสายทยายทำตึกในพระธรรมเ็ากรรมฐานสามจแดอย่างใดยังนึบริหารก็จะบริหารด้วยสมวิชิตไม่บริหารด้วยวิชาทิเนี่ยก็เดี๋ยวต่อไปก็ิจ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีปางสุดเถิดอาหังอเวโรี้ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรก่อเกิดอาหังคาญยาคจโวมิ